หยิบไปเยอะยัยจะเรียห ย, ยิบไปปรามาตถีปันีดีกานเริ่เขียวขึ้นไปอาจจะต่อไปก็ศึกษาประทำกันตรง ก็ขอโมทน า, ากับพวกเราตั้งใจในการศึกษาพระธรรมเลยในการกล่าวคํานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลาจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เ, เราท่านทั้งหลายเวลาจะศึกษาพระธรรมก็กล่าวนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า เ็เรียกเป็นการไหวเป็นการเคารพนะพระผู้มีภาคจ้าเคารพพระบรมศาสดาตอนเช้าศึกษาในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ในความเห็นผิดต่างๆเหล่านั้นก็ยังยังไม่จบก็คือต้องการจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในคำสอนของพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้น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 ไม่ใช่แต่เฉพาะแต่ผู้ฟังนะผู้พูดก็จะเป็นอย่างนั้นแหละบางวันก็รู้สึกว่าโอ้โหมีความชัดเจนในพระธรรมพอสมควรเนี่ยนะบางวันก็รู้สึกโอหอะไรก็ไม่รู้ติดขาดเนี่ยนยะแต่ก็ตรงนี้นี่แหละบ่งบอกความไม่แน่นอนอะไรเนาะจึงเป็นปัจจัยทําำให้ความเห็นผิดเนี่ยบางวันก็ลุมเล้ามากบางวันก็ลุมเล้าน้อยเนี่ยนะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่า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 จะอุปนิสังที่มีปริขาระมีองค์ประกอบสัพปริขารังน่ยสัพปริขาระมีองค์ประกอบเออสมาสมาธินั้นที่เป็นสมาสมาธิที่เป็นอริยะมาสมาธิที่เป็นโลกุตระนั้นมีเหตุมีองค์ประกอบนะทีนี้เหตุและก็องค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะก็คือสมาธิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสมาคมรมฐาสัมมาอาชีวะสัมมาวยมาสมาสติ นี่คือเหตุนี่คือองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะและท่านก็นแสดงไปตามลําดับใช่ไหมในบรรดาองค์7ประการในบรรดาองค์7ประการเหล่านั้นน่ยที่บอกว่ารู้จักสมาธิฐิว่าเป็นสมาธิิรู้จักวิชาที่ว่าเป็นวิชาทิฐิความรู้ของเธอนัน้นจึงจะเป็นสมาธิฐิอย่างนี้ทีนี้ตัวสมาธิฐทีทท่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันเนะบื้องต้นตรงนี้ก็คือโลกียสมาธิิทีท่เป็นไปในส่วนของวิปัสสนาสมาธิ ทีนี้ก่อนที่จะถึงวิปัสนาสมาธิที่นั้นเนี่ยต้องมาเข้าใจให้ชัดก่อนว่ากรรมสกตาสมาธิที่นั่นคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราจะศึกษาเรื่องศึกษาเรื่องสมาธิีให้ชัดก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมสกตาสมาธิกรรมสกทาสมาธินั้นถ้าจะเข้าใจชัดหรือไม่ชัดต้องไปดูในสมาธิสูตรใช่ไหมในสมาธิฐสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญณาสูตรที่เก้าใช่ไหม พอแสดงสมาธิที่สูตรจบก็แสดงสถิติประธานสูตรนี่นะนันในสูตรนั้นนั่นแหละที่พระพุทธองค์ทรงแ ส, สดงยอ่อเข้าไว้แล้วต่อมาท่านภาษาริบุตรเป็นคนแสดงท่านพระองค์แสดงต่อผู้หลิงตพราะภาษาริบุตรที่เป็นผู้ขยายในสูตรเนี้จริงๆนะภาษาริบุตรก็ขยายความเกี่ยวในเรื่องของสมาธิทิฏฐิเข้าไว้และในสมาธิทิฏิในที่นั้นนะอันนี้ก็อาศัยจำๆมาที่นีน้ไม่ได้ามาหรอก ก็หมายความว่าในข้อแรกนั้ น, นให้รู้ชัดอกุศลแล้วก็ราดเน่าของอกุศลรู้ชัดของกุศลกัมมวัฏสิทแล้วก็ราดเน่าของอกุศลกัมมวัฏฏิสิทธิ์ใชรอรากเน่าของกุศลกัมมวัฏทธิอะไรคืออกุศลกัมมวัฏฏิสก็คือปาณาติบาตอธินนาทานการเมียสุมิจฉาจารเนี่ยอันนี้ส่วนของกายกรรมที่เป็นบาปแต่วจีกรรมก็มีมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุรวาจาสัมผาภราปัก อันนี้เกี่ยวในเรื่องของวจีทุจริตส่วนในเรื่องของใจก็มีพยาบาทออนะแล้วก็กรรมฉันทะพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิสรุปก็คือ น, นี่คืออกุศลกรรมบุสิทธิถามว่าอากุศลกรรมบุตสิทธินี้มีอะไรเป็นรากเงาก็บอกว่าโลภโทสะโมหะนั่นเป็นรากเงาของอกุศลกรรมบุสิทธิเนี้ยนี่ก็รู้ชัดอกุศลแล้วก็รากเงาของอกุศล ร, รู้ชัดกุศลก็พวก งดเว้นจากปณติบาตอธินาทานการเมศสุเิชชาจานุสาวาทติสุนาวาจาพรุรวาจาสมบัติลาปะแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของเนคขมมะก็คือเกี่ยวเนื่องการไม่โลภนั่นแหละไม่โลภแล้วก็อัพยาปาทาก็คือไม่โกรธแล้วก็สมาธิฏฐิอันนี้คือกุศลกรรมวสิตรากเงาของเขาก็คืออะโลภะอะโทสะแล้วก็อะโมหะอย่างเงี้ยนะี การรู้ชัดกุศลกมวรสิบแล้วก็ลากเง้าของกุศลกมบรสิบก็คืออารมะเหตุอโทมซาเหตุอาอมอาเหตุทีนี้ตรงนี้นี่แหละเขาเรียกกรัมกรรมสกตาสมาทิฏฐินั้นไปเข้าใจในเรื่องของเจตนากรรมแล้วก็ผลของกรรมทีนี้ถ้าบอกว่าเข้าใจในเรื่องของกรรมเนี่ยอย่างสัต์ บ, บุคคลเป็นผู้ทำกรรมสัตว บ, บุคคลเป็นผู้รับผลของกรรมนี่เบื้องต้นเขาเข้าใจอย่างนี้ นี้ในความเข้าใจอย่างนี้นั้นไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ถ้าปัญญาหรือสภาวะของปัญญาแท้ๆเลยเนี่ยสภาวะของปัญญาจริงๆนั้นก็จะเข้าใจคําว่ากระแสขันท่าอายตนะเป็นผู้ทํากลม่มแล้วก็กระแสของขันท่าอายตนะเป็นผู้รับผลของกล่อมอันนี้แปลว่าชัดแล้วใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราท่านทั้งหลายทำกุศลกรรมด้วยการฟังธรรมตอนเช้าต่อมาก็มีการถวายทานเห็นไหมแล้วก็ถวายวัตถุทานทนทั้งหลาย ก็ลองมาพิจารณาดูทีว่าถามว่าใครเป็นคนทํากรรมใช่ไหมแล้วก็บัญญัติศาตร์ศาตว์บุคคลขึ้นมาเป็นผู้ทำกรรมได้ก็กําหนดชื่อบุคคลไปชื่ออะไรกอขอขององก็ว่ากันไปนั่นคือสัตว์บุคคลกําลังทํากรรมและก็มีสัตว์บุคคลเป็นผู้รับผลของการกร็เลยกุศลกรอน เชนถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าถ้าสัตว์บุคคลเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละคือบุคคลที่เราบูชาอันนั้นก็เลยถึงเดียกโดยบุคคลโดยสัตว์บุคคลเหมือนกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเราไม่ได้เพ่งถึงสภาวะอะไรแต่พออยู่ต่อมาความพัฒนาจากการศึกษาพระธรรมมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าสัตว์บุคคลไม่มี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 แต่ที่แน่ๆก็คือตรงนั้นมีเจตนากรรมนั่นแหละเป็นประธานเป็นส่วนใหญ่เพราะภัตวนั้นเป็นผู้ทำกรรมอยู่น้อมเป็นกายกรรมออกมาทางกายน้อมเป็นวจีกรรมคือการเป่งวจีเพศออกมาน้อมเป็นมโนกรรมก็คือจิตนั้นกับคิดเป็นไปกับกุศลทั้งที่เป็นปุพพะเจตนาเป็นมุญจารเจตนาแล้วก็เป็นอัปปะเจตนาสรุปแล้วก็คือกลุ่มของเจตนาทั้งหลายกลุ่มของภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกัคตาชีวิตินทรียมนัสสิกา ในกลุ่มของวิตกวิจารณิโมกวิริยาปีติฉันทะในกลุ่มของศรัทธาวิรยิยศรัทธาสติริโอตตาอโลภะอโลภะตัตตะมะชิต ต, ตากายะปัสสธิจิตาปัสสติเป็นต้นไปจนถึงปัญญาสรุปแล้วก็คือกลุ่มในด้านของกุศนจิตุบบาทพร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบทั้งหลายนั่นคือกลุ่มนามธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นมีเจตานามีศรัทธาหรือมีปัญญาเป็นต้นเป็นตัวนําเป็นต้นเนี่ยแล้วแต่สถานะของแต่ละบุคคล แต่ที่แน่ๆเป็นกรรมคือกุศลกรรมในการที่ทํากรรมทีนี้ในการทํากรรมในการนอบนอบ้อมทำนอบน้อมอะไรใช่ไหมข้าพเจ้าเป็นผู้มีสาสนามีอะไรมีพุทธมีพุทธ ม, มีสภาวะพุทธะเป็นสารณาสภาวะธรรมะเป็นสารณะมีสภาวะสังขารนี่แหละเป็นศาสนะใช่ไหมคําว่าข้าพเจ้าในที่นั่นก็คือกุศลจิตตัวบาศของท่านทั้งหลายนยี่แหละ มีสภาวะพุทธธรรมสังขาคือสภาวะที่ดับทุกเนะี่ยเป็นสาสนาเป็นผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมนะเชื่อกรรมเชื่อการกระทำตอนนี้พระเจ้าจะมาประกอบกุศลจิตุบุบาทในการที่จะกระทำกรรมโดยการถวายอะไรสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ท่านทั้งหลายระบวมมาฉะนั้นในขณะที่ท่านระบวมมาทั้งหลายเหล่านั้นแท้จริงสรุปลงก็คือว่าจะเป็นบอกว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นผ้าถูพื้น เป็นน้ำยาซักผ้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเเครื่องทำซีุงซีดีอะไรต่างๆแผนบันทึกซีดีทั้งหลายอันนั้นคืออะไรใช่ไหมสมมติบัญญัติที่บัญญัติไว้แท้ที่จริงก็คือดินน้ำไฟลมสีกิ่นรถโอชาธาตุอวิชภูรูป8ปเป็นส่วนของมหาภูตรูปเป็นรูปใหญ่เสี ปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยสี่รวมเป็น8รูปนันก็เรียกอะวินิ婆คือรูป8เห็นไหมว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของนามธรรมา ท, ทั้งหลายมีศรัท ธ, ธามีเจตนาและปัญญาเป็นต้นในการที่จะน้องใ ห, ห้ที่นี้ในกลุ่มของนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นตั้งอยู่บนหาทายวัตถุของรูปธรรม ท, ทั้งหลายสรุปแล้วก็คือขันห้าของเราท่านทั้งหลายนี่แหละขันเลยทา่าเลยอายตนะเองที่กำลังหมุนเปลี่ยนไปอยู่เนี่ย มีการน้อมเอามหาพุทธรูกที่สมมุติว่าเป็นข้าวของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นประโยชน์เหล่านี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมบูชาต่อพระรัตนตรเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การที่จะใช้สอยเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์เตั้งเจตนาอย่างนั้นแล้วปรารถนาอะไรเดินตามสภาวะพุทธเพืจะแทงตลอดสภาวะธรรมะเพจะเข้าเป็นสังฆะใช่ ไ, ไมเพื่อจะตัสทะลุตามพุทธนั้นนั้น ที่การสละเนี่ยตัดอะไรนะตัดมัชฉชียตอนนั้นทานกุศลนี่ขัดเ ก, ล, กลีอะโรภัตยาัยศีลกุศลขัดเกลีอโทสัตยาใสดิบต้นขันติแล้วก็เมตตาเพิ่มมาไปอีกนก็ขัดเกลียอะโมหะหรือปัญญาก็ปัญญาบารมีก็สร้างอะโมหัธยาัยสร้างอัธยาสัยที่ไม่ไม่หลงอย่างเงี้ยนะ ก, ก็เปลียนไปแล้วถ้าในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นอะไรหนึ่งผู้ทำกรรมไม่มีสัตว์บุคคลที่ทำกรรมไม่มีเห็นแต่เพียงกระแสขันท่าอายตนะกํำลังทำกรรมและผู้รับผลกรรมก็ไม่มีก็จะเห็นว่ากระแสขันท่าอายทะนักต่งหากเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของการกระทำนี้ทีนี้พอไปเด็ดเสร็จอย่างนี้แล้วเรยมีความเห็นว่า ผู้ทำกรรมไม่มีผู้รับผลกรรมก็มีไม่มีแท้ที่จริงก็คือธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปเห็นไหมเห็นกระแสของขันธ์อายุชนะเท่านั้นกําลังเดินไปอยู่กําลังเป็นไปอยู่การเห็นในลักษณะอย่างนี้ในคําสอนทั้งหลายแม้ในคำพีวิสุทธิมาร์ทั้งหลายเป็นต้นท่านบอกนี่ยเห็นแบบนี้เขาเรียกสัมมาทัศนะอย่างนี้เขาเห็นสัมมาทัศนะแตมว่าความเห็นอย่างเนี้ยต้องใช้สมาทิฏฐิ อย่างนั้นอย่างนี้เป็นสมาธิทิฏฐิและการเห็นต้องเพียรพยายามเพื่อจะให้ความเห็นแบบนี้เข้าถึงความเห็นอย่างนี้ให้ได้ชัดขึ้นสติก็ต้องตามระลึกก็จะเห็นแบบนี้เพืจะเข้าถึงสมาธิทิฏฐิอย่างนี้ชัดขึ้นและในขณะเดียวกันก็เพียรในละมิจฉาทิฏฐิไหมเพียรละมิจฉาทิฏฐิเพียรระลึกในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิฐิปัญญาก็เข้าไปวิจัยให้เห็นแบบนี้กว้างขวางขึ้น ไม่ใช่เห็นแค่วัตถุชิ้นเดียวที่จะถลายตอนนั้นเราเห็นด้วยความเป็นธาตุเห็นด้วยความเป็นขันไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นขันธาตุเยตนาดยความเป็นผู้ทําบุญอย่างเดียวทอนนั้นแม้ขันนัยตนาทธาตุในการรักษาศีลขันนัยยนาทธาตุในการเจริญภาวนาขันนัยยนาทธาตุในการอ่อนน้อมขันนัยยะนาทธาตุในการฟังธรรมขันนัยยนาทธาตุในการแสดงธรรมขันนัยตนาทธาตุในการที่ทําความเห็นให้ตรงยันขันนัยตนาทธาตุในการให้ส่วนบุญเลาะส่วนบุญอะไรต่างๆไหม ขานิยตนาธาที่เป็นไปานากระทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปยาเ ย, ยนะวยาวจาบปฏิทานะปัตตาโนโมทนาธรรมะวนาะธรรมเทศานาที่ถูกชุบ ก, กรรมก็ลองคิดดูที่กระแสขนันธาอิยตนาที่มันหมุนไปในกระแสจิตเราท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องและปริมาณจะกว้างขวางสักเพียงไรนั่นในที่สุดจริงๆสัมมาทัศสนจะกว้างขวางมากก็เหมือนกระถางป่าใช่ไหมต้องเหมือนกระถางป่าเพอถางไปเสร็จก็ไฟเผา ทางเสร็จก็ไฟเผาก็เหมือนแต่ทางกัปปะหารก็จะละความเข้าใจผิดเรื่อยๆละความเข้าใจผิดเรื่อยๆปริมาณของการละความเข้าใจผิดเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นปริมาณสมาธิทิฏิก็แผ่ขยายกว้างขึ้นถามว่าอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาก็ชัดเห็นในความเป็นขันธะไดยตนะอารมณ์ที่มากระทบทางทวารหูจมูกรินกายใจต่างๆนี้ก็เห็นแบบมีชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นในี่สุดจริงๆก็เหมาะแก่การที่จะเอาอริยมรรคประชุมลงในกระแสขันธ์ ก็เหมือนก่บเหมาะกาการที่จะเพาะปลูกข้าวกล้านในแปลงนาในพื้นนานั้นนะแต่ตอนนี้ย่าเพิ่งไปปลูกนะเพราะมันลบลุงลางไปด้วยลบชัดคือทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเริ่มด้วยแต่สกฤตทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นไบเนี่ยมันหนานแน่นในกระแสะขันธะไดยะตนะของท่านทั้งหลายมากยังไม่ได้จัดการถางดน ว, วิปัสสนาญาณซึ่งเป็นปุเราจาริเลยวิปัสสนาญาณเป็นปุเราจาริของมัสสมาทิฏฐิ ตอนนี้ยังไม่ได้เอาวิปัสสนาญาณมาถางเลยจะประชมุมอริยมรรคแล้วเนี่ยจะประชมยังไงประชมุมไม่ได้ไปแลปลว่าป่าดงนั้นมันยังไม่ถางใช่ไหมเมื่อไม่ได้ถางแล้วจะเอาข้าวกล้ามาลงได้ยังไงเข้าใจไหมเนี่ยนี่มันลงไม่ได้ตอนเนี้ฉะนั้นมรรคประชมุมไม่ได้เลยตอนเนี้ยมาประชุมอย่างนี้จะมาอย่างไงก็เป็นมิจฉ า, ากรรมมรรคใช่ไหมโอนแล้วตอนเนี้ย หรือเป็นวิชฉา marks นได้อยู่ตอนนี้วิจชา marks นั้นไม่ต้องไปถานไม่ต้องไปลงมือไม่ต้องไปลงมือทําสมาธิที่หรือสมาวิมารสมาสติในการที่จะไปห้อมล้อมก็ขยายวงจรของสมาธิฐให้กว้างขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะสมาธิิสมาวิมารสมาสติเนี่ยต้องไปจัดการช่วยสมาสังปร์แล้วก็ขยายสมาสังกปร์ให้กว้างขึ้นในทุกๆอารมณ์แล้วก็ไปจัดการกับสมาวยิวาจา แล้วก็ไปขยายสัมมาวิจาเนี่ยเอาสัมมาทิฏฐิสมมาวยมารสมาสติเนี่ยไปขยายสัมมาวิจาให้กว้างขึ้นใช่ไหมพูดทุกเรื่องให้เป็นสัมมาวาจาใรได้เบื้องต้นจะเป็นคาถาสัมมาวิจาเป็นเจตนาสัมมาวาจาก็จะเป็นปัจจัยเกี่วิรติสัมมาวิจาริชั้นของโลกุตตระได้ต้องถึงขนาดนั้นสัมมากรรมตาก็ต้องเอาสมาทิฏฐิสมมาวยมารสมาสติเนี่ยไปล้อมก็ไว้ไปล้อมสัมมากรรมตะเพื่อจะละมิชากรรมตะ ในสมาอาชีวะก็เหมือนกันเอาสมาธิิสมาวิมะสมาสติไปล้อมใชหมสมาอาชีวะเข้าไว้แล้วก็ขยายวงของสมาวิชวะให้กว้างขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยนู่นแหละไปจนถึงสมาสติเพราะสมาสมาธิเนี่ยตั้งเป็นอริยไว้อยู่แล้วใช่ไหมสรุปก็คือต้องจัดการอยู่แล้วต้องจัดการสมาสมาธิไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนี่ไง จะทำยังไงที่เราจะขยายวงวงเราจะขยายความกว้างขวางของสมาธิทิติให้มากขึ้นตอนนี้มันอาจจะแคบอยู่กับเรื่องใดเรื่องเราจะคิดว่าเราจะไม่มีสมาธิทิฏฐิทุกเรื่องนะบางครั้งเราก็เข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันไม่กว้างทําไมถึงไม่กว้างขาดความเพียรทําไมยังขาดความเพียรเพราะไม่มีศรัทธาทําไมยังขาดศรัทธาใชเพราะไม่ฟังธรรมทาไมยังไม่ฟังธรรมเพราะไม่ครบบนันดทึกบว่าไปเรื่อยๆที ทำไมยังไม่กบบัญญิตเพราะไม่อยู่ในถิ่นที่สมควรทำไมไม่อยู่ในถิ่นที่สมควรฮำไม่มีปุเพกตะวันอาทำไมถึงไม่มีปุเพกตะวันญาติอาไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอัตถสัมมาปฏิทิฏทำไมไม่ตั้งเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิจบเลยตอนนี้กำลังเรียนมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเออเราต้องเคลียร์มิจฉาทิฏฐิออกก่อนถ้าเคลียร์มิจฉาทิฏฐิไม่ออกก็ไม่รู้ว่านี่คือมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอย่างนี้ นี่มองเห็นนะแต่ตอนนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หรึเปล่าเป็นรึเปล่าดิก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเนี่ยบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดส่วนใหญ่เกิดเนี่ยเนะียส่วนใหญ่เกิดถ้ามีใครว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราโกนธรีบว่าขอน้วยไม่เป็นไรเพราะแต่ว่าจริงๆเป็นนะ วิชาทิฏฐิยังมีอยู่ในกระแสของขันต์ใต้เดยตนะอยู่เนาะทีนี้ก็ไปดูอย่างนี้ตัวอัตวาทุปาทานนี่แหละตัวนี้นี่แหละสําคัญมากตัวยึดมั่นในขันห้ายึดมั่นในขันห้ายึดมั่นยังไงยึดมั่นด้วยอํานาจของอัตตาตัวตนองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกเนี่ยที่เกี่ยวกับสักยะทิฏฐิเนี่ยเนี่ย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 ให้มิฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือมิฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจริญไปบุญยิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนกับอายโยนิโสมณสิกาอันดิโตโรเนี้ยนะเดี๋ยวตรุปตรงนี้ก็คืออายโยนิโสมนสิการนั้นเป็นปัจจัยกับมิฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและมิฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไปบูญยิ่ยิ่งขึ้นไปตรงนั้นก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยนเรื่องของว่าถ้าโยนิโสมณสิการก็เป็นปัจจัยเกิดสมาทิฏฐิใช่ันกาารทํไว้ใจโดยยอุบาเนี่ย อันไม่แยกคายเป็นตัวเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเกิดมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เคยเกิดในการก่อนก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบุญจนถึงการก้าวล่วงสู่มิจฉาตานิยามะคือการก้าวลงสู่นิยามคือปฏิสนี่มิจฉาทิฏฐิชื่อว่าเป็นอันเจริญขึ้นแล้วเมื่อบุคคลมีถ้าหากว่ามีอายนิสมนัติการแล้วเนี่ย ทึงบอกบอกว่าสัตว์ที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐินี่นะดูกรภิกษุทั้งหลายเราเป็นเองเห็นซึ่งทำอย่างอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าเพราะความแตกแห่งกายย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายดูกนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิปิม ผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าและความแตกแห่งกายย่อมก็ถึงอาบายทุกขติมิริบัตนรกดังนี้ ท, นนที่ในมิจฉาทิฏฐิบางอย่างย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยเป็นเครื่องกั้นมรด้วยมีโสดาปริมรดเป็นต้นด้วยบางอย่างเป็นเครื่องกั้นมรเท่านั้นไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ท่านกล่าวว่าอย่างนี้บางอย่างไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่องกั้นมรทีเดียวเดรัฎามิจฉาทิฏฐินั้นมิจฉาทิฏฐิสามอย่าง มีอะเหตุการิฐิอัคคียะทิฐินาตติกาทิฏฐิเข้าใจคำว่ า, าเหตุการทิฏฐิไหมนี่คือปฏิเสธเหตุนะแล้วก็อัริยียะทิฏฐินี้ปฏิเสธการกระทําปฏิเสธการกระทําทุกอย่างถ้าจะพูดไปตรงนี้ก็คือปฏิเสธในเรื่องของปัจจุบันกรรมที่จริงกําลังลังเลลังเลอยู่เนี่ยว่าจะาในยะของกรรมมาพูดให้ลึกๆ ก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องหนักใจหรือเปล่ามันแค่นั้นเดียหนักไหมไม่หนักเนาะไม่หนักความเข้าใจดิก็คำว่าเล็กในที่นี้ก็คือมันไม่ไปอะไรมากนะก็เพียงต้องการจะพูดว่าบางทีอธิบายแล้วเนี่ยอาจจะใช้ศัพท์อะไรที่ อะไรมากหนอยใช่ไหมก็มานั่งเกณฑใจกันอยู่นี่แหละนะเพราะว่าหนึ่งเวลาถ้าอธิบายอย่างนี้ทีไรแล้วหนึ่งเกณฑใจตัวเองด้วยคือตัวเองก็ต้องหนักคือใช้ตัวเองหนักไปไหมอะไรเงี้ยเลยอ่ะก็คือนี่ในบรรดาทิฏฐิสามประการก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนเนะคือปุเพกะตะเฮตุทิฏฐิ ความเหในทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เพราะผลของกรรมเก่านี่มีเข้าใจถึงนี้ก่อนนะที่จริงน่าจะอธิบายตรงนั้นให้มันจบ ก, กระบวนการท่านก่อนดีซักไปใช่ไหมเพอไม่อธิบายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปหงกลับไปย้อนไอ้ศัตท์เพราะหลายๆทางกัยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องอธิบายเรื่องตรรมเท่าไหร่เรื่องที่ฐิเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ไว้ทีหลังดีกว่าเวลายังมีโอ้โหเหลือเวลาอ๋อ ก็นี่แหละเป็นอย่างเนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องเร่งเวลาดีกว่าแค่ไหนก็แค่นั้นได้แคไหนก็แค่นั้นใช่ไหมเพราะถ้าอย่างนี้สบายใจเป็นไงนก็เอาว่ากันไปถ้าอย่างนี้ก็กไอ้มาก็ไม่ต้องไปเร่งเหมือนพูดไปพูดมามาก็มากระจุกตัวเองอุ๊ ย, ยไม่ทันบ้างอะไรบ้างมาก็รู้สึกว่าถ้าบัญญาอย่างงั้นเหมือนคนเอาอปืนที่ไม่ดีใช่ไหมอธิบายเป็นไปตามลำดับนี้น สรุปตรงนี้ก็คือจะอธิบายเกี่ยวในเรื่องของนาัิกาทิฐิอันมีวัตถุสิบก่อนนาัิกาทิฐีอันมีวัตถุสิประการเนี่ยมาในไหนในอจักถาปฏิสัมภิทามรตตอนที่ว่าด้วยญาณกถามหากรุณามหากรุณาญาณนิเทศและก็ในอจักสาลีในอุปาทานโคชกาและก็ทิฏฐุปาทานนิทิเได้นะท่านอธิบายนาัิกาทิฐีอันมีวัตถุสิประการไว้บอกว่า ทัศาาววัตถุกายามิจฉาทิถิยาโลกสันนิวาสอันประกอบกไปด้วยมิจฉาทิถิมีวัตถุสิประการเนี่ยโลกสันนิวาสโลกก็คือนี่แหละขันทั้งหลายนี่แหละที่เป็นไปในใน ใ, ในจักรวาลนั่นสิ้นนี่นะมิจฉาทิถีมีวัตถุสิบเป็นฉนก็มีสิประการก็คือนัตถิทินังทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลนัตถิยิถังการบวงสรวงไม่มีผลนัตถิหุตงังการบูชาไม่มีผล นัตถิสุกตาทุกตานางกรรมมาณังพรังวิปาโกบอกว่าวิบากอันมีผลของกรรมทั้งหลายที่เป็นที่ทําดีและทําชั่วนั้นไม่มีนี่ปฏิเสธวิบากของกรรมดีกรรมชั่วนะนัตถิอิยังโลโกก็คือโลกนี้ไม่มีนัตถิปโรโลโกโลกหน้าไม่มีนัตถิมาตามารดาไม่มีแล้วก็นัตถิปิตาก็บิดาไม่มีนัตถิสตาโอปาริกาโอปาริกาสัตว์ไม่มีเนีย่ยแปลไปตามฉบับดีเขาก่อนเดีย๋ยวต้องไปดูอย่างอื่นเปรียบเทียบ ว่ า, างไงก็จะพูดรายละเอียดแล้วก็พูดไปยิ่เนี้ยนะและประการต่อมาก็คือนัตถิโลเกสมณพรามะนาสมัคคตาสัม ม, า, า, มาปฏิปันนาเยิมัญจโรกอังปรันต์ปรันจโรกังโลคังสยังอภิญญายะสัจจิกตาวาะวะปเวเทติตสัมามาราหม์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีมีสัมมาปฏิบัติกระทะไม่แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญญารู้ด้วยตนเองย่อมทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม ไม่มีในโลกสิบประการนี้เลยวุฒิเสน่ห์เลยนะถ้าสาวัตถุกาคือมีวัตถุสิทนี่ดูอาัจฉริยท่านใหญ่แล้วก็เพิ่มเพิ่ ม, เ, มเติมเอาใช่ไหมทีนี้ในนักทีจีมนางเนี่ยถ้าสาวัตถุนี่นะย่อมรู้ว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลใช่ไหมจริงๆาการให้ทานนี่จริงๆมีผลหรือไม่มีมีผลใช่ไหมเดีย๋ยวได้จะมาจะดูสองฉบับควบคู่กันไปเลยเนาะ จะได้จะได้ว่าเออดูเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบกันนาถีทินนางนี่นะในในปฏิสัมพิธามากกั่ในพระพิธารรมนาทีทินนางเนี่ยทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลถามบอกว่าอันนี้ปฏิเสธอะไรทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเนี่ยอย่างนี้ปฏิเสธผลหรือปฏิเสธเหตุอันนี้ปฏิเสธซึ่งผลของทาน อันนี้เป็ น, ปนทิฏฐิประเภทไหนอันนัดทิฏินังเนี่ยพยายามตังความก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยนัทิฏฐินังเนี่ยอันนี้เป็นปฏิเสธประเภทไหนทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุดเชะทิฏฐิใช่ไหมเห็นว่าไม่มีแล้วไม่มีผลแล้วคือ จริงๆแล้วทานที่บุคคลให้แล้วในย่อมมีผลสามารถเพื่อจะให้อะไรอะไรแก่ใครได้แต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะถือว่าวิบากกันเป็นผลของทานที่ให้แล้วไม่มีนั้นกลุ่มบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายประเภทนี้เขาไม่เชื่อก็เขาเห็นว่าขาดศูนย์จะแล้วเนี่ยใครต้จะเป็นผู้เบ ล, ลัพผลไม่มีสัตว์บุคคลเบลัพผลไรๆเลยเป็นไปไม่ได้เขาเห็นเห็นงโจงอยู่เนี่ยกระจัดโยนเข้ากองไฟแท้แท้ ดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็กระจายไปในอากาศแล้วคนจะไปรับผลของกรรมมีแต่ที่ไหนฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นกลุ่มประเภทนักทีทิ้นนั่งใช่ไหมทานที่บุคคลให้แล้วยังไม่มีผลก็ยัง ย, ย่างแต่เนี้ยแล้วมีจริงไหมทุกวันนี่มีไหมประเภทอย่างนี้มีไม่มีแล้วเราเคยคิดแบบนี้ไหมมีบ้างไหมแวบๆประมาณเวลาแล้วพวกพี่ให้เดย เกิให้ราะว่าสงสารกรูนอะไรเงี้ยเขาเปนให้เกิไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับผลตอบแทนต้องถามว่าเขาเชื่อไหมว่าผลอันนี้มีอยู่จริงเขาก็ไม่ได้สนใจไม่สนใจก็คือคนโมหะกินเขาาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาโมหะกินเขาเขาไม่ได้ละเขาไม่รู้ไงเพิ่์ก็กระสับต่ว่าให้ไปเนี่ยแต่ต้องถามเขาจริงๆเนี่ยต้องถามความทิฏฐิของเขาเนี่ยทัศนาของเขาทิฏฐิของเขาลัทธิของเขาหรือความเชื่อของเขาเขาเชื่อไหมว่าการจะทําแบบนี้มันมีผลรัฐกับการ เก็แล้วแต่ว่าจิตที่ไปหวังน่ยหวังด้วยอะไรไบ้างเห็นไห ม, ม, ไหมเพราะว่ากรณีก็จะต้องบอกว่าเรื่องรู้จักวิชฉาท่ฏฐิว่าเป็นวิชฉาทิฏฐิ<ม>ต้งรู้จักสมาธิทิฏฐว่าเป็นสมาธิทิฏฐความรู้ของเธอจึงจะเป็นสมาธิทิฏฐิันต้องมาวิจัยกันก่อนไงว่าตอนเนี้ยพอวิจัยจบเสร็ จ, จบบแล้วจึงจะไปสรุปอีกทีว่าเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ถึงจะเป็นที่จย่งนี้ถึงจะไม่เป็นเข้าใจใช่ไหมถึงต้องมาเรียนนี่แหละ ก็คือก็คือคิดเทียสอดคล้องกับความเป็นจริงคือความจริงอย่างไรเราอย่าไปมีพวกวิปริตมณศสิกานก็นแล้วกันความจริงมันอย่างไรก็ให้ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยชัดตรงนั้นหละคืออย่างเช่นความจริงเป็นอย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าเจตนาที่เป็นทานนกุศลเนี่ยวิบากของทานเหล่านั้นมีนนน้ไม่ใช่ไม่นีแต่มีแบบไม่แน่นอนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้จะให้ผลเมื่อไหร่นั้แล้วแต่เหตุปจัจจัยทีต้องว่ายว่าทีว่าว่าการก็ดีว่าบุก ว่าว่าเกี่ยวกับประโยค่ประดีอุปธิก็ดีเนี้ยนะแก่ยในเรื่องของการละวิบัติด้วยการลสมบัติประโยค่าสมบัติหรือประโยค่าวิบัติอุปธิสมบัติด้วยอุปธิวิบัติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็อะไรข้อมีอะไรสี่ประการไหมะเอ่อคติเห็นไหมคติสมบัติหรือคติวิบัติเกิดในนี้ยคติหรือว่าเกิดในสุขคัตติอย่างนี้นะก็ต้องดูเห็นไหมว่าต้องเอาเอาเอา เอาเหตุสี่ประการองค์ประกอบสิประการไปจัดเช่นว่าให้ทานมีผลไม่มีอาจจะมีผลเมื่อไหร่ไม่แน่ทีเนี้ยเข้าใจยไหมไม่แน่เนี้ยอย่างงี้เขาเริ่มเข้าใจถามว่าอสัตว์เป็นมนุษย์ทําบุญแต่ว่าใช่มนุษย์ไม่เป็นผู้รับผลอไม่แน่มนุษย์ทําอาจจะเป็นเทวดารับการดาใช่ไหมแต่ว่าคือขันท่าแต่เยตนาะเป็นผู้รับอย่างงชัดเลยอย่างงชัดเลยอย่างเนี้ย ก็ต้องไปว่าทียากไหมา้นี่มันจะว่าการที่รรู้อกาทางเราได้มีัณานก็ใชกมันประถกเบื้องต้น ใช่ไหมก็ตั้งไว้ถูกเพียงเบื้องต้นว่าเออทา น, น, นให้ผลเป็นความสุขก็คือบุญ น, นั่นเองบุญก็บุญให้ผลเป็นความสุขแต่ถ้าถามมันว่าถ้าเจาะลงไปดีสุขคืออะไรไใช่ไหมต้องเจาะไปจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามมันมืดเมื่อสักครู่นี้ถามว่าคนที่ไปทําบุญคือใครคือใครใช่ไหมอ่ะสมมติว่าโยอมไปทําบุญเธอสมมตนินั้นไปทําบุญแต่อาการตริยา ตอนนั้นเน่ยที่เป็นบุญจริงๆเน่ยคืออะไรใช่ไหมอัตโนสันตานางปุนาติโสเทติติบุญอ์ยังใช่ไหมธรรมชาติใดใช่ไหมที่ทําให้กระแสของขันธาตุอายตนะหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองคือราคะโทรศัพโมฮาเป็นต้นธรรมชาตินั้นเนชื่อว่าบุญธรรมชาตินั้เชื่อว่าบุญเอาเลยสิ อ๋อเป็นชื่อของกระแสของขันธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นจากความหมดจดที่ปารลทานปารลศีลปารลภาวนาเป็นด้วยแค่ไม่ใช่ที่กระแสของจิตกระแสของอุสุนจิตโุบาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ยเขาเรียกว่าบุญแต่ต้องตอนนั้นต้องไม่มีราคะโทสะโมหะนะ้เข้าไปรบกวนกระแสขันธ์าตุอายตนะตอนนั้นถ้ามีราคะโทสะโมหะไปรบกวนไม่เรียกว่าบุญทั้งๆที่รูปแบบเป็นบุญ เอาลสิใช่ไหมรูปแบบเป็นบุญแล้วตักบาตรมีพระมาแต่ตอนนั้นจิตใจกาลังกังวลอยู่เนี้ยไม่เรียกว่าบุญเพราะตอนนั้นกระแสกุศลจิตูบาทไม่เกิดเพราะคําว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของนามธรรมาคือเป็นชื่อของกุศลนะมาหากุศลเกิดไหมและมาหากุศลเกิดขึ้ น, นปลารลอะไรอยู่ถ้าปลารลบทานเรียกว่าทานในกุศล ปอบศีลเรียกศีลกุศลงลอบการฟังธรรมเป็นต้นหรือแสดงธรรมเป็นต้นเป็นภาวนากุศลกําลังอ่อนน้อมเป็นอภิญาณนะกําลังประพฤติประโยชน์เป็นวิยาวัจจายังไงกำลังให้ส่วนบุญเป็นปฏิทานะกําลังอนุโมทนาส่วนบุญเป็นอนุโมทนานี่กาลังฟังธรรมเป็นธรรมเสวนะกําลังแสดงธรรมเป็นธรรมเทศนากําลังทําความเห็นให้ตรงเรียกทิฏฐุชุกรรมเอาสิเนี่ยเห็นไหมว่า จริงๆมันเกี่ยวกั น, นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นแต่ก็ต้องอาศัยรูปธรรมอยู่แต่หมายความว่าถ้าตัวบุญแท้เลยหมายถึงนามธรรมคือกลุ่มกุศลน่ะกุศลจิตตัวบาต ท, ทั้งจิตและเจตสิกกลุ่มของนามธรรมที่อาศัยรูปธรรมกำลังเป็นไปอยู่แท้ที่จริงขันต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญอายตนะต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญธาตุต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญแต่สมมติว่าสัตว์บุคคลจึงมี ข้มีขันธาตอยายตนะประชุมหรือเกิดตับหน้าที่ไหนทำบัญญัติสัตว์บุคคลก็มีหน้าที่ตรงนั้นเออสัตว์เป็นผู้ทําบุญแล้วอ๋อเราไปทําบุญทีนี้ทําบุญในขนาดกระแสบุญเกิดขึ้นตอนนั้นปารบอะไรใช่ไหมปารบอะไรปารบอนุปาทานบลินญาบาลหรือไม่ถ้าปราลบอนุปาทานบลินิพบานถึงจะเป็นทานนบรมีอะไรอะไรเนีเ้ยใช่ไหม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 หรือเข้าถึงบุรมธรรมบรมะธรรมคืออะไรพันิพานใช่ไหมเพราะบารมีทั้งหลายนั้นจะต้องสร้างอธัธยาศัยทั้งหกนี่ยโลภอัธยาศัยเป็นต้นจนถึงปะวิเวกัตยาศัยเป็นที่สุดเขาไม่เรียกบารมีถ้าไม่คิดไม่เป็นไปเพื่อจะถัดสร้างอธัธยาศัยเพราะเราต้องการจะเป็นโพธิ นะอย่างใดอย่างหนึ่งปลูกโพธิลงในสู่ในกระแสขันท่าแต่ยตนะจะเป็นปัจเจกับโพธิสัมมาสัมโพธิหรือสาวกับโพธิต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เข in ้าใจไหมนะถ้าถ้าเข้าใจไม่เป็นไรสำคัญจะไม่เข้าใจสิใช่ไหมเพราะมันสั้นเหลือเกินเนี่ไม่ค่อยไว้ใจนะคนเยอะเนี้ยใครมาไม่ค่อยไว้ใจใครหรอก นายพะที่ฐานก่อนได้ที่ฐานก่อนต้องอืาอ่าจ้าก่อนหน้านั้นห้าวันคิดได้เลยห้าวันสิบวันร้อยวันคิดไปเหอะไม่มีะไรห้ามเลยคิดไปเลยเสร็จแล้วก็มาคิดอีกขอให้ปริมาณการตรึกเป็นไปกระบุญเยอะๆบางคนเขาคิดไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เบสเสร็ จนมีกำลังโดยภาษานักกีฬาเ็าเรียนซ้อมไว้ใช่ไหมพอไปขึ้นเวทีเ็าจริงๆเนี่ยไปไม่เป็นเลยตอนนี้ยอนั่นก็ไม่ได้มานี่ก็ไม่ได้มา เ, เอออาวยบายพันพโลกโกอดผ้าก้อยผ้าก็เดินช้า <c oughs> ไปเลยตอนนี้ ก็อย่างนี้แล้วมีจริงจริงเงี้ยคือบอกว่าใครที่บอกภรรยาก็ให้ให้ลงไปทําบุญท่าน้ำอย่างมาใส่เรือเนี่ย้นไม่แพ้เลยเพราะวันนั้นเน้นมาแต่เช้าภรรยาก็ทํากับข้าวไม่ใกลดกันเนี่ยเขาบอกตาไปใส่บาตรไมปกติก็ยายลงไปเองอย่างนี้เป็นเรื่องจริง ไปที่ไปเห่เลยแล้วพูดโผล่หัวหงุดหงิดหงุดหงิดพูดลงไปคือไม่รู้จะเถียงภรรยาไง <c oughs> เห็นเน้นมาพูดเน้นก็มาแต่เช้าว <c oughs> ่ไปเลยไปลงเลน้นนั่นนะจะจะหันมากลับจะมาตําหนิภรรยาก็กลัวภรรยาว่าวนุ่ลาเล่นเล่นเน้นเลยนีไม่เน้นก็มาแต่เช้าแล้วเกินก็ ทำไมเก็ต้องตี่นแต่เช้าโนโดนเรียกหลุกได้เช้าในรักษาเงี้ยไม่ไม่ได้เรื่องล้วคนละเรื่องแล้วทีนี้ต้องการแคสกรณีแบบนี้ถามว่าตรงเนี้ยจริงๆพอพูดถึงในเรื่องตรงเนี้ยต้องไปปรับความเข้าใจกันอีกเยอะใช่ไหมบางทีแล้วันนี้พานะปัจโยโวตุวเนี่ยมันไม่พออธิบายก่อนคําพูดดีถูกแต่เข้าใจถูกไหม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 ใช่ไหมระหว่างจะไปนิพพานกับการที่จะต้องอ่าวันนี้ขออภัยนะเอราะเอินลูกลูกที่ต้องรักผลิตยาแล้วจะทำยังไงเนี่ยจะไปนิพพานหรือจะไปไปงานลู ก, ลกรักผริตยาเอางานที่ก็หมอขอให้เบรกนิพพานไม่ก่อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวลูกว่าเนี่ยแล้วก็จะเก็งยากันหา ถ้าเรื่องตัณหาเนี่เป็นเรื่องใหญ่โตเรากลัวมากใช่ไหมคือกลัวตัณหาจะน้อยใหญ่แต่นิพพานเนะี่ยน้อยใจแล้วแล้วเราเลามาเม่คือไม่เกรงใจศรัทธาเราแต่เราเกรงใจตัณหาเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเออจริงๆโดยดยูข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ให้สังเกตด้วย ชาวพุทธดูผู้ศึกษาพระธรรมก็ไม่นานเนี่ยไม่ไม่มั่นคงเอาตั้งแต่ภิกษุ ล, ลงไปเลยก็ไม่มั่นคงไม่ไม่มั่นคงถ้ามาดูจากตนเองเนะี่ยเวลาไปอยู่ในห้องสมัยก่อนไปอยู่ในห้องกรรมฐานเะนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหในขณะที่สติและปัญญาันเดินก็สะดวกดีเนะี่ยแต่ในขนาะเดียวกันเนะี่ย อย่าพูดถึงเรื่องหยุดการปฏิบัติเนี่ยชื่นใจจริงจริงมันชื่นใจมากๆเลยอ่ะเมืออ่อไหร่จะถึงเวลาหยุดสักทีเนาะเ <c oughs> คยเป็นไหมละ่ะเหมือนเรียนธรรมะฟังธรรมะเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วถ้าหยุดพักเนี่ยรู้ึกมันโล่งมากเลยยังเป็นองนั้นไหมถ้ายังมีการฟังก็ทําอยู่บโอ้โหมันรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้ก็ เรามาใช้คําว่าอะไรรึมั้ยแต่ก่อนเอามาใช้คำว่ า, ว า, า, ว า, าถ้าแถวถ้าแถวมันก็ เ, เรียกว่าที่ว่าผีเข้าแ ล, าาาแล้วดนน้ํามนเล่าเนี่ยเวลามาฟังทำเนี่ยบางทีกังวนก็วายขนาดนั้นคาสอนของพระเจ้าแต่ละคําเนี่ยพุ่ไปเหมือนอนัน้ํามนลาดที่ตอนนั้นผีเข้าเราอยู่คือ <laughs> ตอนนั้นพอกีเรตตัญหามันเหมือน มันดิ้นรนใช่ไหมมันถูกต่อว่ามันทนไม่ค่อยได้หรอกมันทนไม่ก็มันดิ้นท่านอยู่ในใจเราตลอดเวลาเช่นโลภะเนี่ยโทสะเนี่ยโมหะมาระทิฏฐิวิจิกิจชายิรกิกะ น, นตรตปะอุทะใจใช่ไหมลองไป อ, ธ, อธิบาย อ, อาธิษาเขาแต่ละคำแต่ละคำนี่มันโดนหมดในตัวตัณหาก็โอ้โหเล่นกุยอยู่แล้วเล่นกุยอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมเอาอยู่แลว้ว่ากุยอยู่แล้วใช่ไหม อ๋อนี่ยยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอางไรบ้าใช่ไหมตัวตัณหาตัวทิฏฐิทั้งหลายเป็นธรรมะขย า, า, า ย, ยาาว่าต่างไงเนี่ยเขาโอ้โหอเววามันมากโอ้พระธรรมของพระเจ้าจเล่นเราสงมเลยลก็ว่างั้นเลยมันก็ดิ้นดิ้นใจแล้วมันเคยชนานาญกับเราอยู่มันก็มาบอกว่าไปฟังทำไมนี่ไปฟังให้คำสอนอะไรเนี่ย ไม่ได้บอกให้เรามีความสุขอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะให้ยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันต้องไปขยายความสุขตรงนี้สิมันต้องไปเพิ่มรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้ปนนีดขึ้นไปความสุขต่างๆที่เรายังไม่ได้รับอีกเยอะจะไปนั่งฟังอะไรเนี่ยคุณกฤษกรใชไหมไปๆม า, มาๆทีนี้มันมาแบบตรงๆไม่ได้มันก็ไม่รูปแบบน บอโอ้โหถามบอกว่าแหมรู้สึกหน้าต่างชํารุดแต่แรกเดี๋ยต้องซ่อมเนี่ยมันมารูปแบบแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยตัณหามันมาแบบใหม่แล้วโอ้โหวันนี้เพราเอินติดทุเรศต้องซ่อมหน้าต่างวัดีหน้าต่างมันรั่วนะเขาในเขานี่รถเสียตั้งแต่แกใช่ไหมเอามันมาในรูปแบบสารพัดแหละแขนหักขาหักอา้อมน้ำหมดเลยเดี๋ยวนี่ยเข้าโรงพยาบาลเห็นไหม ตัณหามันต่อรองด้วยเลยเอาที่บอกไปแล้วแต่ให้คิดเองแต่ตอนเนี้ยก็เราเจ็บอย่างเงี้ยก็เราเป็นเพื่อนคุณมาตั้งกลางสารวัตรแล้วเนี่ยคุณไม่ดูดำให้เร า, าใจเชายเราแก้วเลยใช่ไหมก็เราเป็นเพื่อนคุณมาเนี่ยตัณหาทุติโยปุริโสไม่มีใครเป็นเพื่อนคนหรอกเราเนี่ยเป็นเพื่อนคุณแต่ตอนนี้เราป่วยอยู่ทำไมคุณไม่ดูแลเอาเราสิตอนเนี้ย ไปเฝ้าทำไมศรัทธาใช่ไหมเออไปเฝ้าทำไมศรัทธาเนี่ยมันดูแลตัณหานี่สิอย่ตัณหาจะพูดให้ความอมาเราตัณหาปวดหรือเกิดตัวเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยตัณหาเป็นแบบนี้แล้วมันจะวิจิตไปเรื่อยถ้ามันมาท่านี้ไม่ได้แล้วมันจะมาอีกท่านี้มันมากับคนนี้ไม่ได้ออกมันมาอีกคนมันจะหลอกอยู่นั่นแหละ มันหลอกสละพไัไปเงี้ยเพื่อนอะไรแล้วก็ไปตัวเองเนี่ยนักเข้านักเข้าก็เล่นตัวเอง เ, เอาสิจะไปนะ่นเนี่ยเดี๋ยวหมอน้ดดาที่เยอะไปลงไป <laughs> <ๆ>เขาจใจหยังนักเข้านักเข้ามันก็เราก็ไปไม่ได้ออกจากสังสรารวัตรไม่ได้เนี่ยเขเป็นอยู่อย่างนี้นะเรื่องเก่าที่มาทํากันใหม่ ทำแล้วแล้วเราจำเจซ้ำซากกินแล้วกินอีกทําแล้วทําอีกตัดสินแล้วตัดสินอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาเนี่ยเนี่ยให้ทานเยอะเรื่องเก่าเนี่ยเคยทำมาแล้วทีแรกจะต่อยอดถึงอาจจะถึงมารคผลอยู่แล้วแอ้วหยุดที่นี่แล้วไม่ได้โหมันน่าเกลียดแท้ใช่ไหม โอเรื่องมันจะได้อยู่แล้วบางทีเราไปหักลานตัวเองเฉยเลยหม่เกือบจะบรรลุอยู่แล้วทั้างั้นไม่ไมันทรมานตาารมาร์กไปนี่นี่ก็เลยบรรลุไม่ได้อเดี๋ยวเข้าตรงนี้ก่อนเนาะ<อ>ก็คือนัดทีทินนางย่อมรู้ว่าชื่อว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลนะไม่ใช่ไม่มีสามารถที่จะให้เป็นอะไรอะไรแก่ใครได้ในสังสารวัตเป็นต้นเหล่านี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทานากุศลเป็นต้นเหล่านี้ยทานนบบารมีเนี่ย ให้สมมาสมปฎิยาอง่างได้มีผลขนาดนั้นอย่างอื่น้าไม่ต้องพูดถึงจักรพรรดิีราชไม่ต้องพูดเนะยสูงกว่าจักรพรรดิเนะี่ยมีโสดาวิมมักเป็นต้นทานนี่แหละให้ได้จริงเพราะทานนั้นเป็นตัวสร้างอาโลพะคือความไม่โลภเป็นต้นเห็นไหมการสระการตัดฉันทราคะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาจากานนั่แหละเป็นปัจจัย แต่บรรดามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็ถือวิบากที่เป็นผลของทานเนี่ยไม่มีเนะนี่ยตรงนี้ปฏิเสธเลยการเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้พูด ธ, ธรรมดาเหมือนไม่ปฏิเสธเบื้องสูงลึกๆจริงๆนะ่ยละเอียดจริงๆนะ่ยปฏิเสธสัมมาสัมปวติญาณอาะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธได้ยังไงถามว่าสัมมาสัมปวติญาณเนีนะ่ยต้องทานบา ร, รมีเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย เห็นไหมจะบอกว่าไม่มีผลไม่ได้มีผลและผลยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยเนี่ยแต่ว่าทานทานที่จะเป็นปัจจัยแก่ระดับนั้นต้องทานที่ไม่มีตัณหามานาที่ติเจือปนเราก็าทั้งหลายก็ทํากันให้ได้เราจะทําให้ทานยังไงที่ไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิกาเจือปนในการให้นั้นนัตถิยึดถังยิดถังเนี่ย คำว่ายึดถังในที่นี้มาจากคำว่าการบวงสวงไม่ใช่หูตังนะถ้าหูตังนในในยึดถังนาทียึดถังนี่เป็นยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี่ยจดเป็นยันเล็กน้อยเขาเรียกขุทกะยันโยขุทกะยันโยยึดถังเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่มหายาโคในที่นี้นะนาทียิฐถังนาทิทินังนาทียิฐถังส่วนนาถิหูตังในการวงสรวงจัดว่าเป็นมหายันก็เรียกมหายันโยนเนี่ยอันนี้ปฏิเสธซึ่งผลแม้ยันทั้งสองอย่างนั้นด้วยหูตังนี่เป็นปฏิเสธทั้งสอง ตรงนี้ก็ต้องมาขยายแล้วขยายหูตังเนี่ยนะกา ร, กรยิดถังเนี่ยเดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยในคําว่ายิดถังกับคาว่าหูตังเนี่ยเดี๋ยวดูอธิบายคำว่ามหายาโคการบวงสวงอย่างใหญ่การบวงสวงอย่างใหญ่นี้ไปอยู่ในคัมภีสัมยุตตานิกายสกาตะวักในโกสลาสัมยุตปฐมวัคยันยสูตรที่เก้า ในมหายานทั้งหางประการนี้เนี่ยในข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันารามของท่านานาถาปิณิกาทีิการเศษฐีกรุงสาวถีไปมาแล้วน่ใครไปไหมยังตอนนีนน้ก็โดยสมัยนั้นนั่นแหละพระเจ้าเปรเตที่โกรสได้ตราเตรียมการบูชายันใหญ่ก็โคผู้500แล้วก็ลูกโคผู้อีก้าร้อย แล้วก็ลูกโคตมยัยห้าร้อยแพะอีกห้าร้อยแล้วก็แกะอีกห้า้อยนำไปปลูกไว้ที่หลักเพื่อจะบูชายันในคมพีทีคักก้กายก็กล่าวไว้ในทีคั้กายก็กล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องการบูชาหยันเหมือนกันอันนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของพรามพรามกลุ่มของรู้สึกที่จะเป็นพวกกลุ่มกูจะคันธันดาพรามทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ท่านนี้นะจำยังไม่ค่อยได้แล้วบรรยายมาก็จะลื ม, ลมแล้ว แต่นี่แหละกลุ่มพวกไอ์บรรดาพราม์ที่เป็นเจ้าเมืองทั้งหลายนี่แ ห, แหละเขาจะถือการบูชายัญพระเจ้าก็ตาหนิการบูชายันนั้นเหมือนกันพอตำหนิาการบูชายัญอย่างนั้นก็บอกว่าตอนนั้นพระเจ้าประเกษตรที่โกศลก็เอาทาสหรือคนใช้เป็นกรรมกรที่จะถูกลงอัจฉริยะทั้งหลายลก็เอาไปก็จะทําการบูชายันในครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายหลายรูปเนะี่ย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 คือโคผู้ห้าร้อยตัวลูกโคผู้อีกห้าร้อยตัวลูกโคตัวเมียอีกห้าร้อยตัวแล้วก็แพะห้าร้อยก็แกะ500ห้าร้อยตัวนี้เนี่ยไปผูกไว้หลับบูชายันแม้ชนบางพวกของพระเจ้าเปอร์เซที่โกศสนซึ่งเป็นทาสเป็นคนใช้เป็นกรรมกรที่มีอยู่เช่นแม้เหล่านั้นถูกลงอนะัจฉริยะถูกภัยคุกคามก็มีหน้านองโดยน้ำตาร้องไห้พลางกระทาบริกรรมไปพลางบนเพื่อ ในครั้งนั้นนั่นแหละพระบรมศาสดาก็ตรัสเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัส บ, บอกว่าอัศเมทางปุริสเมทางแต่ในนี้อัศเมดังปุริสเมทางสัมมาเทศังวาจะเพยยังว่าไงเนี น, นิรักขลังคือมหายัญญามหาราลําพานาเตหนตีมหาพลานาเตหนตีมหาพลาแล้ไม่มีหลมากนีนอเชรากาจะขาวจัวิวิทยัตถะหันญเร นตังสำ ม, มักหัตถายันยังอุปยันติมหิสิโนบอกว่ามหายันติต่าเตรียมมีการตรเตรียมมากมีการวางแผนมากมีความเพียรพยายามผิดมากเป็นไปกับมิจฉาทิถีอันที่มากมีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆเป็นอันมากเขาเรียกว่าอัศเมไดาอัศเมธาคือการฆ่าม้าบูชายันปุริสเมธาการฆ่าบุรุษบูชายัน สมาปาสาก็คือการจองจําบูชายันบางทีมีการจองยันดนะ้เนี่ยเนี่ยบูชายัญเอาไปขังก็ไว้ก็จะบูชายัญแล้วก็ว่าฉเพยยะก็คือการดื่มน้ํามนบูชายัญ น, นิรักขราก็คือการถอดริมกรบูชายัญทํางไงการถอดลิมกรก็หมายถึงการบูชายัญที่เปิดให้บุคคลได้ดูได้เอาละสิค่าให้ดูเลยทําให้ดูเลยบูชายัญเชื่อแล้วบูชา ย, ยัางไงใช่ไหม เขาจะมีอย่างนี้นะมหายันโยนี่โอ้โหมหาญาณในการบูชายัญใหญ่เนี่ยเขาจะปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทำครั้งหนึ่งร้องระงมหมดแหละเขาทําอย่างนี้แล้วจะทําให้บ้านเมืองสงบสุขปกติแล้วแนตะ่ถ้าบูชายัญอย่างนี้ก็คือให้พวกนี้รับทุกแทนไปพวกมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ทํานั้นก็จะอยู่รอดปลอดภยัยมีพระเจ้าเป็นดินเป็นต้นผู้ปกครองเมืองทั้งหลายก็จะต้องทําการบูชายัญอย่างนี้ แล้วก็ทากันเลยเขาก็เหมือนไม่ต้องอะไรหรอกเราดูแค่เออสารหลักเมืองสารหลักเมืองเนี่ยก็จะใช้คนเป็นเเป็นนี่ยโยนลงไปแล้วก็ใช้เสาเสาหลักเมืองกระแทกลงไปเพื่อให้เฝ้าถึงเฝ้าเมืองเนี่ยพวกเข้าไปเอาใครที่มีชื่อชื่อที่เป็นมงคลหน่อยเช่นชื่อมั่นชื่อคงชื่ออะไรเนี่ย ก็ใใส่ชุดขาวอะไรต่างก็จับโยลงไปแล้วก็ใช้เสาเลยเทีเนเนยนทำวิธีก็เขดแทนบอกให้เป้าเมืองบอกเลยได้เฝ้าเมืองนี้ไว้จะได้เมืองนี้อยู่มั่นคงเป็นป้อมปราการใหญ่เป็นที่สักการบูชาเอาอย่งใครยอมสลละนะไหมยังมีคนบูชาตลอดไปจนถึงทุกวันก็ต้องมีคนบูชาเอาไหมลนะ่ะอยากอยากเฝ้าเมืองนะ จะได้ดูแลสุขสุขทุกข์ให้กับประชาชนไม่เอาหรฮะไม่ใช่เขาทํากันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้อ่ะนี่มันบันทึกเทีเอาไว้หลังเทีบจะเล่าให้ฟังบ้านเราต้องต้องไม่มีการบันทึกจริงอยูเรางั้นไม่ได้ โอเราไม่ดีเด็กเข้าใจยังมั้งอันนี้เอาเอา อ, อ, อ, อันนี้เราที่อื่ไม่ได้เล่าบ้านเรานี่ก็าเลา้รู้ว่านี่บูชายานนี่แหละสังสาราวัตนั่นเราเคยเป็นแล้วเราก็จะเป็นกาไม่นพ้นบางปีเราก็จะต้องบางชาติบางภพเราก็จะกลายเป็นผู้เฝ้าเผ็นดิน เรต้องการที่เราเข้าก็ต้องเสียสะละฉั้นเป็นคนต้องเสียสะละทูกสอนอย่างนี้นี่นี่บูชาอย่าันพระพุทธเจ้าทางว่าสถานการณ์แบบเนี้ยระหว่างพระเจ้าเป็นดินทำเลยใช่ไหมถ้าพระเจ้าเป็นดินทำแล้วระดับพระเจ้าเนี่ยพูดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นท้าที่ไม่ใช่ระดับพระเจ้าเราไม่พูดอย่างนี้ยุ่งใช่ไหมท้าพระเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาเรามนุษย์เขา อ, อยาให้ยังของบูพระพุทธเจ้าตรัสทีทั้งนั้นแล้วพระบรมาศาสดาก็ตรัสเลยตัดคาถาที่บ ว, ว่ามารสมาธทางบุติสมาธิทางสมังสมมาเพสัยงวะเวทเชปรยางด้วยต้นตอดยู่อุตโพตัดระโปบเล ย, เลยใช่ไหมสอบพฏิยุตยานนะตัดเดีสอบพยุ ต, ตยานนะบอกว่านี่พุทธเจ้ารู้หมดไหมแทงตลอดหมดไหมยังเหล่านี้รู้หมดแหละก็หมายความบอกว่า กรณีที่คําว่าอืนิราคขละเนี่ยการถอดริมกรบูชายันหมายถึงการบูชายันที่เปิดให้คนมาดูดังที่ได้กล่าวมหายันเหล่านั้นย่อมไม่มีผลมากเห็นไหมนะเตโฮนตีมาภาลาบอกไม่มีผลมากถ้าผู้มีพระพาจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาอะไรสหสแสวงหาศีแลคุณอันใหญ่สมาธิขันอันใหญ่ใช่ไหมสแสวงหาปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ขันอันใหญ่ สแสวหาสติปัฏฐานสะมะปูรณ์ฐานอิทิบาทอิจิปัลละโพชงอริยมัพมีองค์แปอันใหญ่สแสวงหาคู่นันใหญ่เหล่าเนี้ยผู้ดําเนินปฏิปทานชอบย่อมไม่เข้าไปใกล้ยันเหล่านี้เลยเอาเลยสิได้ไหมบอกยันเหล่านี้พระเจ้าไม่เดินเข้าไปใกล้เลยเพราะเป็นการมีการตระเตรียมมากถามแมีมากไหมระดับการตระเตรียมจะต้องหา หาโคผู้ห้าร้อยลูกโคผู้ห้าร้อยโคลูกโคโดมียาห้าร้อยแพห้าร้อยแก่ห้าร้อยบ้างแห่งก็เจ็ดอันนี้อันนี้ห้าร้อยกลมเจ็ดร้อยก็มีถ้ากลุ่มใหญ่กว่านี้ก็เจ็ดร้อยอย่างเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยาตกรรมกรหญิงก็เจ็ดร้อยกรรมกรหญิงชายก็เจ็ดร้อยทีแต่งรถเรางมมไหมล้วก็มัดไว้กันหลังแล้วเขามียาติไหม มีไหมแต่ละคนมียากไหมจะร้องไห้ไหมเอ่อ mm hmm. ลงง ม, มเขาบูชายันกันนี้เ mm hmm. ชื่อไหมในกลุ่มที่กําลังร้องน่ะมีเราอยู่ในนั้นด้วยในสังสารวัตรที่ผ่านมา mm hmm. และก็ยังไม่พ้นเ้าอีกเดี๋ยวก็ยังถูกจาบบูชายัน mm hmm. โอ้น้าอนาจนะสังสารวัตนี้นี่มเป็นอย่างเงี้ mm hmm. เราเนี่ยมันร้องไห้กันมาไม่รู้เท่าไหรนะ่แล้ว ตอนนี้ก็มานั่งหายใจโล่งๆกันหน่อยเนี่ยแต่ยังไม่แน่เนีลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็นไม่รู้ใช่ไหมในข้างหน้าเนี่ยคุยกันอยู่แบบแบบอ่าซากคายที่อ้าวไป น, นอนโรงพยาบาลมาเลงกินได้อีกะไยไปนะ <c oughs> อู้ทรมาร์ทแท้ๆนี <c oughs> <c oughs> ่มึงก็คุยๆกันแบบแบบหลายหายคนอ้าวรู้ค่าวทีนี่ยเราก็มีบรรยายบรรยายด้วยแก็แต่ก็มันก็จะนี้ก็ไม่มีโอกาสเจริญกุศลกันแ้วเดี๋ยวก็จะไม่มีโอกาส มันยากจริงๆการเจริญกุศลยากมากแต่ก่อนก็ไม่สู้จะคิดเท่าไหร่ถึงเวลาก็ได้กล่าวก็ทำเรียนธรรมะเจริญกุศลกันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยคนวันนะแต่ที่นั่นได้โหหนึ่งไม่ใช่อย่างที่คิดแล้ตอนนั้นมันบังคับกัโอ้ถ้ามาเรียนกันด้วยศรัทธาจริงๆแทบไม่ยมีแล้วย มระหว่างระหว่างวิ่งเรียนด้วยปัญหาก็วิ่งเรียนด้วยปัญญาไหนมากกว่ากันให้สังเกตุเลยนะโอ้โหบางคนนะอันนั้นก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้วิ่งกลัดหมดเลยเนี๋ยเช็คตารางแล้ ว, <c oughs> วไม่พอเยคอยเป็นไหมนะเคยไหมล่ะก็ไม่รู้เป็น เพราะว่าเราไม่รู้สมาชิกถิ่ามีขาถิ่งไงมันไม่รู้เลยอ่ะเาวิ่งกันใช่มมันอยากจะรู้อ่ะทาไงได้อยากจะรู้ไปหมดนเตาแต่กเต่มัน น, นั่นงหอ <c oughs> ไม่รู้อะไบางไงถนะเข้เป็นม่รู้ยเ็นไมนเป็นยมันรู้นด้อะไรบ้างอยางงี้ ไ ป, ไปไปมามาเขาไม่เห็นอะไรผ้าอะไรอดูแล้วก็ก็อยู่อย่างนี้บางทีก็โฆษณากันเนี่ยเดีย๋ยวนี้พระพุทธเจา้าอยู่โฆษณาพระุทธเจ้าจะใช้หลักว่าสัตตานังวิสุติยาสโสกับพอเดียวนางสมติกมายะเนี่ยยายาศาสติกยมายอนิพพานนัสสจิตรียายะก็พริยาก็จะกล่าวนิสงการจเจริญสติปัฏฐานการการการจเจริญสติปัฏฐาน แต่ น, นี้โอุ่มเดยดมากมัไม่ใช่แล้วแล้จะกระแสจะไปอะไรก็ปล่อยลมลืมลมืนเข้าในเข้าก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้ดบได้ดีอะไรกันเลยดิตั้งหลักมันถูกตั้งการบูชายันที่เปิดให้คนดูแล้วก็บหายันเหล่านั้นย่อมไม่มีผลมากเพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณนั้นใหญ่ผู้ดำเนินปฏิบทานชอบย่อมไม่เข้าไปใกล้ยันเหล่านั้น ส่วนยันเราได้มีการตราเตรียมน้อยไม่มีการฆ่าฆ่าแพะไม่มีการฆ่าแกะฆ่าโคฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆไม่มีการฆ่าคนซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลอยู่ทุกเมื่อมีนิตยพัฒนเป็นต้นนิทยพัฒนเนี่ยพัธิการมีการให้ให้เป็นประจาเพราะนิตยพัฒเช่นการให้ให้ทานประจําทุกวัน น, ปปนั่นแหละ สมาทานทุกวันใช่ไหมที่พุทธิจถาแสดงไว้เห็นข้งเกียวอยู่ที่ว่ามีผลมากมากกว่ายันที่เขาตระเตรียมอย่างนี้ไม่ต้องเลยเนี่ยมีอาหารทุกวันเนี่ยแล้วก็ตั้งเจตนาทําด้วยจิตเป็นกุศลจริงๆเนี่ยทําอย่างเนี้ไม่ต้องเตรียมมากเลยถามก็ถามจ่มาอีกสูตรหนึ่งนะแต่ในสูตรนี้ลงแค่ตรงนี้แหละแต่ในสูตรนี้น่าจะเชื่อมไปถามผู้ได้เจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์พู้ะเจริญยัน บอกนี่ไงยันในทางศาสนามีผลมากกว่ายันที่เธอทําที่ต้องเตรียมแพะแก่อย่างละ7จ0ดร้เจ็ดร้นเหล่านี้หรือกับชาติกรรมกรชายหญิงเจ็ดร้เพนท์ต่อเหรียญเนี้ยแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยการฆ่าตรงนั้นก็มีผลไม่ใหญ่แบนี้แต่มันเป็นบาปเลยนี่แต่ว่าเยาะไปเก่าอย่างนั้นแต่ยันของเราสิมีผลมากกว่ามีอริสงมากกว่าแล้วบอกอริสงด้วยนั้นิตยพัดเพนทต้นเหรียเนี้ยพาร์ทีถวายกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้มีทิฏฐิมีศีลและทิฏฐิบริบูรณ์แล้วมีพระโสดาบันเป็นต้นเหล่านี้ พัฒนล่นี้ที่เขาเรียกว่าการให้และบูชาคุณภรรยาทั้งหลายหลไรเนี้ยน้อมในน้อมที่เธอจะให้กับภรรยาบุคคลทั้งหลายมีผลมากมีอนิสงฆ์มากทีนี้ท่านจะถามก็ถามบอกว่าอีแล้วมีแบบที่ไม่ต้องทําประจํำได้ไหมใช่ไหมเพราะทำประจําเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ไหวอะเอาแบบไปลงทุนน้อยกว่านี้มีไหมพระเจ้าจบอกมีนักอะไรวิหาราทานใช่ไหม การให้วิหารและเป็นทานเนี่ยให้สงจากเจตุรคิดไงถวายเป็นสังฆทานไปเลยอย่างเงี้ยมีผลมากอ น, นิสงฆ์มากยิ่งเป็นที่ทรงผู้ทรงธรรมผู้ทรงวินยัยเป็นพระหูสูตเป็นต้นอะไรเนี่ยนะผู้ทรงปริโมกทั้งหลายเราเนี้มาอยู่หน้าสถานที่ต่างๆเรานะั้นเป็นต้องบอกเรื่องอนิสงฆ์มีพลานิสงฆ์อย่างไรถ้าพาเข้ามาคิดเอ๊อย่างนี้ก็ยังต้องลงทุนมากอยู่ใช่ไหมต้องใช้ใจ่ายมาซับมากอะไรต่างบากที่น้อยกว่านี้มีไหมยันของท่านเนี่ยปลายไปเลยพระเจ้ากระบอกมีเอาอะไรแหละ สาธาคมเห็นไหมไม่ต้องลงทุนเรี่ยวแรงเลยเลยพูดทางศาสนาก็ะฉามี้ทำทางตาสนากระฉามีสังทางศาสนากระฉามีเนี่ยมีผลมากกว่าทานในที่ได้กล่าวไว้แล้วก็ถามอีกบวกกับเรื่องที่มีผลมากกว่านี้มีไหมมีสีเนี่ยชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้สิบไล่ไปเรื่อยๆเลยนี่เป็นยันนั่งเลยนี่หมายยันในทาง ศ, ศาสนาไม่มีการฆ่าไม่มีการบูชายัญไม่มีการทรมารย ไปจนถึงปฐมวชานทุติยาชานตัติยฐ า, านเจตุ ท, าชาทาชาปปะชานและลูกบชานแล้วก็ไปวิปั ส, สนาญาณบรรลุมากผลใช่ไหมชําระกีเลยเป็นต้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ผู้ ด, ดำเนินปฏิปทานชอบย่ำเข้าใกล้ยันเหล่านั้นเนี่พระพุทธเจ้าจะเข้าใกล้ยันตรงนี้ทายันที่พูดมาในพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาควรบุญชาญาณนั้นยันนั้นเป็นยันที่มีผลมาก เมื่อบุคคลบูชายันนั้นนั่นแหละย่อมเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไม่มีบาปเป็นยันต่ไปบุญเทวดาและมนุษย์ก็เริ่มใส่นี่เข้าใจหรือยงังนี่เขาเรียกว่านัทถิหูตั้นัททีหูตังคื อ, ค, อคือยึดถังเนี่ยยึดถังกับหูตังเดี๋ยวอธิบายฟังหนึ่งเดี๋ยวนี้เมื่อกี้อธิบายยึดถังแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ นาทียึดถังในการวงสวงในนาถียึดถังยันที่บูชาแล้วในทิฏิไถาในปฏิสัมพิธามะไปบอกว่ายันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี้ยจัดเป็นยันเล็กน้อยก็เรียกขุทกายยันโยนาถียึถังในยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี่ยส่วน หูตังในการบวงสรวงจัดเป็นมหายันคือมหายันโยย่อมปฏิเสธไม่ซึ่งผลแม้ยันทั้งสองนะั้นตัวหูตังนี้เป็นการปฏิเสธยันดังกล่าวทั้งขุทกัดยันโยและก็มหายันโยจัดเป็นยันใหญ่เป็นการปฏิเสธการบูชาต่างๆเหล่านะั้นแต่ในที่นี้นะคำว่าหูตังที่กล่าวก็อธิบายเนี่ยแต่ยึดถังในที่อธนะิบายมาเนี้ยแต่ในคัมำพินีิษบอกหูตังนี่การ ทำมงคลด้วยการนำไปบูชาอาหุนายะการจัดเตรียมไว้ต้อนรับปาหนายะย่อมรู้ว่าการกระทํานั้นสามารถจะให้ผลได้ใช่ไหมแต่มิฉาทิติบุคคลทั้งหลายถือว่าวิาวบากที่เป็นผลของการต้อนรับแขกทั้งหลายนั้นไม่มีผลเ้าก็เรียกว่าเป็นการบูชาเหมือนกันนะหูตังเนี่ยหูตังก็บางศัพท์ไปแปลว่าบวงสรวงแปลบวงสรวง นี่ควรจะแปลว่าอะไรเนะี่ยในที่นี้แปลสองอย่างมีที่หนึ่งแปลว่าการทํามงคลด้วยการนําไปบูชาเป็นอาบนัยยะไปเลยหูตังตัวเนี้ยสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าแปลบอกว่านัตถียทั้งการวงสวงไม่มีผลหูตังการบูชานั้นไม่มีผลนะนัตถีหูตังหูตังตัวนี้แปลว่าการบูชา ยิดถังนี่เป็นการบวงสวงนั่นแหละเป็นมหาญาณมหายันมีการบวงสวงห้าประการนี่นเลยแต่ยันในที่เนี้การการบูชายันในที่เนี้นะยันในที่นี้ในพระศาสนามีและเป็นยันที่มีผลมากมีอรสิสงมากเลยที่ได้กล่าวอระการต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของนัตถิ สุขตาทุกตานางนี้ได้แก่กุศลกรรมบทชสิอกุศลกรรมบวชสิบนะี่ชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมรู้โดยเส้นกรรมเหล่านั้นมีผลแต่คนวิชาที่ถือว่าวิบากอันเป็นผลนั้นไม่มีกลุ่มเหล่านี้ปฏิเสธนาทีทุกตาทุกตานางก ร, รมมานางป ร, รังวิปากโกนี่นะผลวิบากกรรมที่บุคคลทำดีทําชั่วไม่มีคือปฏิเสธซึ่งผลแห่งบุญกรมรมปฏิเสธบุญกรรมก็คือทานในกุศลศีลกุศลเป็นต้านานั่นเะนี่ยนะ แต่นี้เขาปฏิเสธผลแห่งทานปฏิเสธซึ่งผลแห่งบาปกรรมมีปานาติบาตอธินาทานการเมตุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุทธสาจาสัาพราราภแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอภิชามียาบาดวิชาทิฏฐิเขาปฏิเสธนี่นะทั้งฝากดีและฝ่ายไม่ดีทั้งกุศลกรรมบทสิบอ ก, กุศลกรรมบทสิบพวกนี้ก็ถือว่านัดทีไงผลของกรรมดีกรรมชั่วนะ่ะไม่มีดีปฏิเสธตั้งแต่ทานอากุศลเป็นต้นไปเลยนะเป็นต้นไปเลย เขาเรียกว่ากรรมที่ทําผ่านทางเทวานิสสามทังเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยปฏิเสธเป็นการปฏิเสธทีเนี้ยว่าวิบากที่เป็นผลได้ไม่มีตรงนี้ก็เวลาไปศึกษาเกี่ยนี่กลุ่มของวิชาที่ทีเราเขาเห็นชัดใช่ไหมเขาปฏิเสธทีนนี้เยอะแยะหมดนีกลุ่มพวกนี้ปฏิเสธผลบังเกิดตอนที่ได้กล่าวไวแล้วประการต่อมาคือว่านัธถอยังโลโก วิชาที่ถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้มายะคาวาปโรปรโรเกทิโตอิมังโรกังนาติแปลกดีโลกนี้ไม่มีคือด้วยกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเอาปริเสธอะไรเนี่ยนาติปโรโรกเนี่ยเออนาเออเข้าไปนาติพยายามโรกเนี่ยพยายมโรโกเนี่ยทีนี้สังขาระโลกสังขาระโลกสัตวะโลกโอกาชโลกในโลกอื่น ปัจจุบันนี้สังขารและโลกมีใช่ไหมสัตว์โลกมีไหมภาชนะโลกมีใช่ไหมปฏิเสธสังขารและโลกในโลกอื่นที่กําลังทํากรรมมาแล้วจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ยังไก็ปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าสัตว์ในโลกอื่นที่กําลังทํากรรมมาไปเสร็จเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มจํานวนในโลกนี้ไม่มีเฮ้อเขาปฏิเสธถึิงไหมปฏิเสธ งั้นคำว่าโลกนี้เนี่ยนะโลกนี้นะนนะไม่มีเนี่ยโดยโดยโด ย, โดยสัตว์เขาเนี่ยก็แปลว่าโลกโล ก, ออโลกนี้ไม่มีเอโลกนี้ไม่มีนะเออเรานิดว่าจะเอ๊ะก็เห็นอยู่ใช่ไหมก็โลกใบนี้มีอยู่สัตว์โลกก็มีอยู่สังขารและโลกก็มีอยู่ทั้งสามชนิดเนี่ยที่ไหนได้เป็นการปฏิเสธสัตว์ที่ทำกรรมจากโลกอื่นเพื่อมาสู่โลกนี้ เขาก็เชื่อว่าดวงดาวมีในกลุ่มหนึ่งแต่แบบบางคนเนี่ยเขาเชื่อภาชนะโลกยังไงก็ เ, เชื่อพวกจักรวาลแต่เขาไม่เชื่อว่ามีสัตว์โลกไม่เชื่อว่ามีสังขารโลกอยู่ใช่บางกลุ่มก็อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเขาไม่แยกแยะอย่างนั้นหรอกแต่แต่เราจาะให้นึกเราจะเห็นเราเจาะให้นึกก็คือเอาเอาโลกสามไปจับดู เ, เพราะว่ามีโลกที่ไหนก็มีสัตว์โลกมีเนะ แต่หมายความว่ า, าต้องดูด้วยนะโลกไหนด้วยนะดาวบางดวงอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเป็นแค่อุตุชรูปอยู่เฉยๆก็ได้แต่น้อยที่จะไม่มีแต่ว่าเร า, เราจะเห็นหรือไม่แค่ น, น, นั้นเองใช่ไหมเพราะบางอย่างก็ไม่ไดพิสูจน์ได้ด้วยตาของคนใช่ไหมแต่ว่าโดยสรุปก็คือกลุ่มเหล่านี้ปฏิเสธปฏิเสธสังขารละโลกปฏิเสธสัตวโลกใช่ไหม แต่เขาแยกบางกลุ่มก็แยกไปออกหรอกว่าถายูงนหนก็ต้องตายแล้วก็ต้องอยู่รุ่นั้นแล้นบางครั้งก็มีไม่มาอยู่งนี้บางครั้งอย่างนั้นก็ได้บางครั้งถือว่าศูนย์ในโลกนั้นก็ได้มีรายละเอียดเยอะาวิชาที่ฐเนี่ยมันกลุ่มอุเชทิฏฐิก็ได้เที่ยงก็ได้เที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างใช่ไบางกลุ่มก็เห็นว่าเป็นคนก็เป็นคนอยู่นั่นแหละเป็นสนะก็เป็นสนัอยู่อย่างนั้นแหละอะไรก็ต่างๆไปเยอะแยกหมดมันรายละเอ อย่างโค12นี่แตกไอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตามจริตอธัธยาศัยของสัตว์เยอะแยะมากเราไปนั่งคุยกันดูจริงๆดิเจาะกันไปเจาะกันมาบางทีเขาเห็นคนละเรื่องเลยบางทีเราดูหน้าตาก็ น, น่ึกน่าจะเห็นผิดเนี่ยพอไปนั่งคุยๆสักบ้านหึงเดินหนีเร็วไม่ไหวแล้วอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหนั่นความเห็นของสัตว์โลกนี่เป็นอย่างนี้นีน่เขาเรียกว่าปฏิเสธว่า ผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้ใช่ไหมนั้นสังขารและโลกในโลกอื่นหมดสิทธิ์มาอยู่ในโลกนี้สัตาร์โลกในโลกอื่นหมดสิทธิ์ไม่เกิในโลกนี้มีปฏิเสธเขาเรียกว่านัทถทียยังโลโกมาจะคําว่าปาระระโลเกทิตโตทิตโตอิมานโลกังนัทติมีปฏิเสธเลยประการต่อมาบทบอกว่านัทติปโรโลโกเนี่ยคนมิฉาทิติย่อมถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่น นีม่มาจากว่าอิท่าโลก เ, เนียที่ตปรระโลกังนัตติอฏิเสธยังไงโลกหน้าไม่มีคือด้วยกรรมปฏิเสธกรรมเจตนาที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิฏฐาธรรมเวทียกรรมอุปชาเวทียกรรมอภาระเวทนียกรรมทั้งหลายเนี่ยที่จะนําไปสู่ น, นิพพานไม่มี นี่ปฏิเสธเลยบอกว่าปฏิเสธเลยเนะี่ยกรรมเนี่ยทำกันไปซุนเบาวที่จะไปเกิดในโลกหน้าเป็นไปไม่ได้มันจะไปได้ยังไง ม, มันคนละที่มันคนละทิศมันคนละใบหมดเสิก็ปฏิเสธตรงนี้ก็ปฏิเสธอีกเยอะในรายละเอียดอีกมากก็จะเป็นศาสนาทิฏฐิใช่ไหมก็ได้บางพวกศาสนาทิฏฐิก็คิดยังไงรู้ไหมบอกไปไม่ได้ที่ไปได้งไงโลกหน้าตายี่อยู่โลกนี้แหละอย่างนั้นกลุ่มหนึ่ง แต่เห็นว่าเที่ยงก็ได้เห็นว่าขาดศูนย์ตายแล้วหมดสิทธิ์โรคหน้าไม่มีหรอกอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เห็นไหมว่าการตั้งวิธีคิดตรงเนี้วิจิตไหมเรื่องเรื่องวิชาที่ตีทั้งหลายเนี่ยซึ่งลองอธิบายถ้าเราไม่มีคําสอนพระเจ้าเป็นเมียนเป็นหลักไว้ดูดิเรียนไปก็งงถ้าเราไม่มีสิ่งที่ถูกนะไว้เป็นหลักเทียบนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมาเทียบเข้าไว้นะยุ่งเลย ยุ่งเลยเรียนวิจฉาทิฏฐิีเนี้ยใช่ไหมเรียนไม่ใช่เศษติดเรียนเพื่อให้เห็นโทษว่านี่แหละทั้งทั้งที่เกิดในขันธาแต่ยตนะของท่านทั้งหลายอยู่นี่แหละบางครั้งบางขนาดเนี่ยแล้วก็เคยเกิดอย่างไหนเนี่ยบางทีเป็นผู้นําชุมชนในการกล่าวอย่างนี้ด้วยเราเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามานั่งเรียนรู้ครับแต่เรียนรู้ด้วยปัญญาเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิ ถ้าไปเรียนรู้ด้วยมิฉาทิฏฐิโอดีนะเนี่ยเร่องไปสมาทานมิฉาทิฏฐิอีกใช่ไหมเออเห็นอย่างนี้ซะก็สิ้นเรื่องเอาส้นเรื่องไม่เห็นแบบนี้เห็นว่าโลกหน้าไม่มีซะจบมันมันไม่จบความจริงมันไม่จบแค่ตรงนั้นส่วนคําว่านาฏมาตานาฏปีตาเนี่ยนะนาฏมาตานาฏปีตาย่อมรู้ความที่มารดาบิดามีอยู่ มีอยู่นะแต่มิจฉาทิถีย่อมถือว่าวิบัติอะไรอะไรอันเป็นผลด้วยปัจจัยที่จะทําให้มารดาบิดาเหล่านั้นไม่มีอันนี้เป็นการปฏิเสธซึ่งผลกรรมที่ทําไว้ในมารดาบิดาเนะี่ยเอ อ, เ, อ, อเราจะทําตรงนี้ตรงนี้พิจารณายัางไงด้วยมั้ยพอปฏิเสธผลกรรมที่ทําไว้กับมารดาบิดา ก็เป็นการปฏิเสธคุณของมารดาบิดาแล้วก็ปฏิเสธว่าสัตว์ทั้งหลายเคยเป็นมารดาบิดาด้วยมันมันลามไปเยอะเลยไอ้ข้อนี้ยมันลามไปจถึงนนแหปฏิเสธบุคคลอื่นว่าเคยเป็นมารดาบิดาแ น, น่น่ะนาข้าหมดเข้าเป็นปกลางพุทธพุทธเลยใช่ไหมเพราะว่าในพุทธพธุทธในคําสอนเนี่ยก็ อ, องค์กล่าวว่ายังไงเกี่ยวในเรื่องของสังสาร ว, วัฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาบีดาเป็นต้นเหล่าเนี้ยใช่ไหมสัตว์ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันน่ยไม่มีเนี้ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็ให้เห็นชัดว่าในกลุ่มที่ปฏิเสธมารดาบีดานก็ปฏิเสธรวมพวกนี้ไปหมดเลยนั่นอยแปลกใจนะถ้าเราจะมานั่งโกรธเมื่อวานนี่อาจารย์เซอนากับพระเล่นตรงนี้ก็เลยบอกว่า ทำไมเรากล้าโกรธคนนี้ทำไมเรากล้าไม่พอใจคนนี้ทั้งๆที่คนคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทําไมเราโกรธทักแล้วเราทําไมไปคิดไม่ดีกันนะใช่ไหมทั้งๆที่เราเคยอาศัยท้ อ, อ, องกุญเนียนตั้งก้าวเดือนสิบเดือนเขาบอกคิดไม่ออก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 ก็เหมือนพระเถระที่ระลึกเน่ยระลึกชาติที่ว่ามีอุบาสิกาเคยปริทุสารท่านมาทุกชาติเนี่เห็นแล้วท่านสลดใจแ ล, แล้วท่านแอบชอบด้วยที่แรกบอกโอ้โหท่านบุญนี้ปริทุสายเราเอาถ้าเราเป็นบุญชนเนี่ยนะแล้วเราเระลึกได้สักสิบชาติว่าท่านบุญนี้เคยฆ่าเรามาสิบชาติเนี่ยเราจะเข้าใกล้ไหยเราเห็นว่าโอ้โหท่านบุญนี้นึกได้เราเราเรานึกได้แค่สิบชาติเพดี แล้วลึกทใดก็เห็นค่าเราตัดคอเราเรื่อยเลยเนี่ยหลอกเราไปฆ่าหลอกเราไปโยนนะเรากโ็โหยเห็นแล้วกลัวรานเลยยังไม่กลัวเลยเหมือนพระนี่ละลึกได้ตั้งเก้าสิบชาติเหมืออตอนนั้น น, นี่ทั้งเก้าสิบชาติเก้าสิบเก้าชาติแต่ละลึกโอ้โหบาสิกาคนนี้ทำไมบัตรทศร้ายเราขนาดนี้วะ น, นี้นท่านโอ้โ ห, โโหเห็นก็กลัวเลยอะอุบาสิกาก็าเลยบอกละลึกไว้อีกท่าน ให้ระลึกเลยจากนั้นไปอีกจึงเห็นอุปการะขูกวาเคยให้ให้ชีวิตเราเอางไงอย่างนี้เป็นต้น ว, วโอโอ้โหสังสารวัฏนี้น่ากลัวมากอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถึงบอกว่าเน้นที่พระเจ้าถึงบอกว่ามีทุกข์มากมีความรับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้โดยปวนยาคนุณเจริญกุศแลแต่การนีมีโทษมากที่กล่าวเมื่อตอนเช้าอ่ะ มันมีมันมีโทษมากมีสุกนิดนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยเป็นความฝันนอกนั้นโอ้โหเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้อย่าลืมนะพระบษษรสัทธาท่านเห็นอย่างนี้อย่างบุนแรงเลยเนะี่ยแต่ท่านไปไม่ได้เพราะกรุณาตักเตือนหมากรุณาตักเตือนนั่นเราก็ต้องทําให้เข็นนีแ่แหละให้แรงเอาไว้เหยียด้มากเอาไว้ทําไมเอามาเคยตั้นประเด็นถามว่าทําไมคนไม่เห็น ไม่เอาไปนั่งวิจัยลองที่ไม่ไม่เกินยี่สิบนาทีอย่ามานั่งวิจัยอะนปัญญาอย่างที่ฟังมาทําอย่างเราลองนั่งวิจัยทุกดูจะทุกอยู่ดูชาติมันเป็นทุกยังไงชราเป็นทุกยังไงพยาทิพเป็นทุกยังไงมรณะเป็นทุกยังไงความโศกเป็นทุกยังไงความลำลายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจดูอยู่ตรงนี้ลองดูอยู่สักสามสิบนาทีอ่ะสามิบนาทีเห็นเพิ่มเป็นชั่วโมง ดูไปเ ย, เยดูทุกวันทุวันมาเดิอนหนึ่งจะเปลี่ยนไปเลยพวกเราเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยไอ้ความรู้สึสะดุ้งสะเทือนจะเกิดชักชัดมากบอกโอ้โหเชื่อแล้วพระธรรองพระยายิ่งเพ่งยิ่งชัดต้องไปเพ่งเนะี่เพ่งทุกข์ขัดเนะี่ยใช้ปัญญาเพ่งไม่ให ม, หมเ่เพ่งิดเพ่งถูกแล้วสังเกตด้วยนะสังเกตด้วยนะ เ, ยนะเป็นสัมาทิฐิเข้าไปรู้หรือมิจฉาทิฏิถ้ามิฉาทิิไม่จีกลัวใช่ มันจะไม่อยากไขว้นใช่ไหมอัสมาทิฏิแล้วก็เพียนพยายามก็จะเข้าถึงสมาทิฏิเพื่อจะละมิจฉาทิฏิสติก็ตาเลิกเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏิเพื่อจะละมิะมจฉาทิฏิเพียนพยายามวิจัยไปเรื่อยค้นหาไปเรื่อ ย, ยฟังมาทําเรื่อยค้นเรื่อยฟังมาทำเรื่อยค้นน่ะเขาประเด็นชัดมนุษย์ไม่เคยกล้าคิดนั่นคิดจริงๆอยู่ดิแล้วจะเห็นคุณของไม่ยาก ถ้าโอ้โหรู้สึกไม่มีศารนาไม่มีที่พึ่งแล้วก็ น, น้อเจริญวัตถคุณเข้าใจใไหมสองส่วนเลยคิดสองส่วนไว้อย่างเงี้ยเจาะก็เรื่องกามาคุณเรายังคิดได้เป็นวันใช่ไหมยังเรายังเพียรพยายามคิดได้เป็นวันแล้วเรื่องนี้ทําไมไม่คิดไม่ยากเลยเราจะคิดเนี่ยเนี่ยประการต่อมาก็คือนัธถินัธถีสตาโอปติกาย่อมถือว่าสัตว์ทั้งหลายพูดจุดติและปฏิสันที่ไม่มีในปฏิเสธจุดติปฏิสันที่นะ นติสตาโอปปาริกาเนี่ยนติสตาโอปปาริกาโอปปาติกาสัตว์ไม่มีคือปฏิเสธอะไรปฏิเสธการอุบัติขึ้นอันมีกรรมเป็นเหตุอันมีกรรมเป็นปัจจัยนี่ปฏิเสธหมดเลยนะปฏิเสธประเภทไหนทั้งอันทชาชาลาพุชะข้าประเสริญกาศแล้วก็โอปปาริกางั้นการอุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยแท้จริงมีกรรมเป็นปจนะัจจัยในการอุบัติทุกชนิดเนี่ย ไปเห็นแมลงอุบัติเกิดขึ้นกับกลุ่มนักสัตววิทยาทั้งหลายเห็นไหมพวกชีววิทยาทั้งหลายก็บอกโอ้แมลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็เอาวิจารณ์กันไปแต่ลืมอยู่ข้อนึงคือกรรมไม่เข้าใจกรรมเป็นปัจจัยให้กับแมลงเหล่านี้เกิดยังไงไม่เข้าใจว่านอนเหล่านี้มีกรรมเป็นปัจจัยทําให้เขาเกิดยังไงไม่เข้าใจว่าพวกแมลงวันทั้งหลายอบียสัตว์ทั้งหลายหอยก็ดีเนะียกบเขียดกุ้งปลาปูทั้งหลายเหล่านี้นะ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 อ๋อในชั้นนี้ก็บอกว่านัธถีสัตตาโอปาาติกาคือปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและปฏิและปฏิสนธิไม่มีโด้หลักถ้าธิบายคุมต้องอธิบายัยู่ตอบมายัางการว่านัธถีสตาโอปาติกาโอปาปาติกานั้นหมายถึงการการอุบัติการอุบัติขึ้นก็คือการปฏิเสธจุติ ด, ด้วยเป็นการปฏิเสธปฏิสนธิด้วยว่าไม่มีกรรมเป็นปัจจัยเพราะในที่นี้กำลังอธิบายไล่อธิบายเรื่องกรรม พวปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมใช่ทุกข้อทุกข้อนี่บางกลุ่มก็ปฏิเสธผลบางกลุ่มก็ปฏิเสธเหตุบางกลุ่มก็ปฏิเสธทั้งเหตุและผลใช่ไหมแต่ที่แน่คือกลุ่มนี้คือกลุ่มนาทิกาทิถีเพราะกลุ่มนาทิกาทิถีก็คือปฏิเสธตัวกรรมนี่แหละเล่าที่สรุปให้ฟังตอนเช้าไงว่าปฏิเสธเหตุเชื่อปฏิเสธผลปฏิเสธผลเชื่อปฏิเสธเหตุปฏิเสธการกระทำก็เชื่อปฏิเสธทั้งหมดด้วย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 ฉะนั้นถ้าบอกว่านัฐภิสตาโอปาิกาบอกว่าโอปาตาทิกาสัตว์ไม่มีอันนี้ปฏิเสธอะไรปฏิเสธการอุบัติเกิดขึ้นการอุบัติขึ้นไม่ใชา่ที่มีกรรมบิดที่มีกรรมบิดคือใช่ตรงนี้คือในชั้นนองอัจฉรกถามาสองแห่ง มาในชั้นของปฏิสัมพิทามัตมาในชั้นของอัถศาลีนีทีนี้ถ้าถามว่าท่านย่าการอราธิบายท่ า, านอธิบายยังไงท่านบอกนะว่านาฏิตาอุปติกาคือย่อมถือว่าสัตว์ทั้งหลายผู้จุตติและปฏิสนธิไม่มีคุมหมดเลยถ้าไม่คุมหมดแล้วว่าจบเลยเพราะว่าไม่ที่อธิบายมาไม่ได้พูดเรื่องจุตติปฏิสนธิของสัตว์นะนะไม่มได้พูดถึงการอุบัติของสัตว์ได้ประเภทต่างๆนะ นันมาท่านมาสรุปไว้ข้อนี้สรุปไว้ข้อนี้แค่เวลาอธิบายตรงนี้อย่าไปเอาเฉพาะแค่โอปปาติกะอย่าไปเอาแค่นั้นถ้างั้นแปลว่าอธิบายยังไม่หมดไม่หมดคืออะไรแล้วถามว่าทิฏฐิประเภทนี้มีจริงไหมไอ้ท่านดูมีจริงไหมพวกปฏิเสธปฏิเยธว่าไม่มีเหตุเป็นปจัจจัยไม่มีกรรมเป็นปจัจจัยมีเดียวอ้อาวเขาเขาเชื่อเราให้หมอเนี่ยเอาหมอในปัจจุบันเนี่ย เขาจะรู้อ๋ออาศัยใช่ไหมอาศัยเหตุปัจจัยปัจจุบันกันนั้นแหละอ๋อแม่อาศัยสามีภรรยาใช่ไหมหรือถ้าสั์ติราชาก็อาศัยเพศผู้เวศเมียแล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้สันติเกิดมาได้แค่นี้เองนะเขาปฏิเสธอะไพวกนี้ยพวกนี้ยนัตติสตาโอบดิกาพวกปฏิเสธบอกว่าฮอปฏิเสธเนี่ย เกี่ยวนึงเื่องององสัตว์ทั้งหลายพุกจิตติปสิทธิเนี่ยไปเสธ็จบอกว่าไม่มีถือว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกรรมเป็นเหตุไม่มีกรรมเป็นปัจจัยอ่ต่อไปก็คือบทว่าสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันน่นี่สัต์หนึ่งนี่แหละที่มานั่งเถียงกันอยู่เนี่ยเช่มไหม ตรงนี้ถ้าใครเคยเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าหยิบถ้าหยิบอัตถกถาที่เดียวอธิบายนะจะต้องแยกเพราะในอัตถกถาที่หนึ่งญาติมาจะบอกที่มาให้เอ่อในในที่หนึ่งเนี่ยท่านท่านแยกไว้แต่ในอีกที่หนึ่งท่านมามาสรุปไว้ให้ก็คือในอัตสาหรณีในอุปาทาแลนโิโคโคชากาคือในทิฏฐุปาทานาะนิเทศอธิบายหทิฏฐิอันมีวัตถุสิประการก็ไว้ แล้วก็ในปฏิสัมพิธามากใช่ไหมในอัตกาถาสองแห่งเนี่ยทีนี้ในปฏิสัมพิธามากจะอธิบายรวดเดียวเลยรวดเดียวก็คือคำว่านัตถิโลเกสมมณพรามนาเนี่ยนะก็จะไล่ไปเล ย, เลยตามลำดับก็คือว่าอธิบายบอกว่าสมณพรามทั้งหลายผู้ประพฤติ ด, ดี มีสัมมาปฏิบัติกระทั่งไม่แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยพิญญารู้ด้วยตนเองย่อมประกาศให้รู้ตามไม่มีในโลกคือปฏิเสธซึ่งปฏิบัติในการได้พิญญาเพื่อความเห็นในโลกนี้และโลกหน้านี่เลยไปส่วนในหนึ่งท่านจะแยกเป็นสองบทบทว่านัตถิสตาโอปอออปัายเอ๋อคอยไปบทว่าสัมมัคตาสัมมาปฏิปนาบทหนึ่ง บอทว่าเยอีมันจาโลกลางปรันตาโลกลางเบอรปรัญจาโลกลางสยังอภิญญายสจิตตวาปเวนเทนติบทหนึ่งเพราะมันแยกอย่างนี้ก็เลยแยกอธิบายเลยแยกอธิบายว่าสัมมคตาสัมมาปิปปนาหรือถือว่าสัมณครามผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทาที่ควรไม่มีในโลกอธิบายตรง น, นี้ในหนึ่งส่นเยอีมันจาโอกลางปรัญจาโอกลางก็คือย่อมถือว่าพระุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญยู ผู้สามารถรู้โลกนี้และโลกหน้าด้วยพยานอันประเสริฐยิ่งได้โป่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่แต่เนี้กลายเป็นกี่บทไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่อลองไล่ดยทีนาทีที่นั่งเป็นหนึ่งนะนาทียึดถังสองนาทีหูตังสาม นัตถ ok ีสุกตาทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโนสเนาะนัตถีอยังโลโกห้านัตปโรโลโกหนัตถีมาตาเจนัตถีพิตาแนัตถีสัตตาโอปปาติกาเกาใช่ไหมพอมาแยกว่าที่จริงนะนัตถีโลเกสมาณพรามนาส สัมมาคตาสัมมาปฏิปันาเ ย, ยมันจโรกอังปรัญจโรกอังสายามกิญญายาสัจจคตวาประเวเดนติอันนี้ศัพท์เดียวกันเพราะเป็นสิบเข้าใจทัศวัตุวสิบพอบอกทัศวัตุวสิบเป็นสมณะพรามทั้งหลายผู้ประพผติดีมีสัมมาปฏิบัติกระทําไม่แจ้งโลกนี้โลกหน้ากับโลกอื่นด้่ยปัญญารู้ด้วยตนเองย่าประกาศให้ให้ให้รู้ตามไม่มีในโลกเนะี่รวมเบ็เสร็จเป็นข้อเดียว อรรคคถามาขยายอรรคคาถาท่านขยายเพราะอรรคคถามาขยายเนี่ยท่านก็ไล่ามาตามลําดับพอขยายไปเสร็จตูมมาก็มาแยกเป็นสองบทบทหนึ่งก็คือว่าสัมมคตาสัมมาปิปปนานพอมาแยกตรง น, นี้ก็เลยมีการอธิบายกันว่าสมณะธรรมณผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทาอันสมควรเนี่ยไม่มีในโลก นี่ปฏิเสธก็เลยบอกอ๋อบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยและมีปฏิปทาที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินใช่ไหมที่มีการเถียงกันในเรื่องตรงนี้แล้วก็มาอีกศัพทหนึ่งก็คือเยยิมันจะโรกลางปรันจะโรกลางสยางพินยายะสจิกตวะเวเวเทติ v v นี่หมายจะเอาพระพุทเจ้าเลยผู้ประเสด็จแล้วก็ตต่สรู้เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นรู้ก็เลยขยายเป็นสิบเอเลยเอาบทสุดท้ายมาขยายเป็น2ขยายเป็นว่าพระมหันธรรมดา ที่ตัดเองไหมที่ประพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ได้ปิจยาทั้งหลายเงี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่ไม่ยังไม่มีเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมาจากบทเดียวแต่ท่านมาขยายอธิบายแท้ที่จริงก็คือสิบอยู่นั่นแหละเพราะเป็นท่าสาววัตถุนาทีเอามันมีนาทีเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของเห็นว่าไม่มีเนี่ย อิเหตุการณ์ทิฏฐินักทิฏฐิเนี่ยนี่กลุ่มนักทิฏฐิทีนี้จะถามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างพทธเจ้ากับผู้ที่นอกจาก่พระเจ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเยอะไหมสามารถรู้แจ้งได้ไหมแต่ต้องฟังธรรมพระเจ้าเนียต้องตามเนี่ยต้องอธิบายด้วยต้องตามแต่ถ้าสูงสุดจริงๆหมายเอาพอพุทธเจ้าทํานั้นนีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อพูดพทธเจ้าเหมือนพูดพระราชาสเสด็จ องประกอบไม่ต้องพูดเข้าใจถือว่าเข้าใจด้วยใช่ไหมอาจะพูดพระราชาเสร็จแล้วเนี่ยพระราชาสเสด็จแล้วมาต๊อต๊ตตคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีองค์ข้าวไปยกมานั่นเนี่ยนั่นอาพูดพระเจ้าเสร็จต้องเข้าใจต้องฐานะต้องเข้าใจกันว่ามีพอบอกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพุทธเจ้าอีกเยอะอีกใช่เข้าก็เจริญพุทธเจ้าก็มี ก็คือความจริงมีอ่ะแต่พวกนี้เขาปฏิเสธว่าพวกตัศรุษเนี่ยไม่มีรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สูงไปกว่า น, นั้นสอนใี่คนอื่นรู้ตามเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่นีแล้วใครจะมาสอนให้ใครตัศรุษ์ได้ใช่ไหมมันมีหลายต่หลายกลุ่มกลุม่มว่าเอา้ามันมีที่ไหนแล้วกรรมที่ใช่ไหมกรรมมันมีผลที่ไหนล่ะแล้วผลของกรรมมีที่ไหนล่ะการกระทํามีที่ไหนล่ะฉะนั้นพระเจ้าเขาต้องไม่มี ผู้สอนในผู้อื่นรู้ตามก็ต้องไม่มีผู้ประฏิตบัติดีปฏิบัติเช่าก็ต้องไม่มีเพราะเรานะเป็นนักติกาวาทีเราเป็นนักติกาทิฏฐิใช่ไหมแล้วถือว่าทุกอย่างไม่มีฮะเขาปฏิเสธอะไรปฏิเสธผลปฏิเสธผลปฏิเสธ เ, เหตุด้วยเป็นที่ว่าเป็นการปฏิเสธการกระทําหมดด้วยนี่เขาเรียกกลุ่มอะไรนักติกาวาทีผู้มีวาทะว่าไม่มีถ้าความเห็นของเขาว่าไม่มีด้วยก็ เ, เรียกนักติกาทิฏฐิ มีควาเห็นว่าไม่มีด้วยแล้วมีการจะทําอย่างนั้นได้วยไหมมีการจะทําอย่างนั้นด้ว ย, ย, รร ย, น, น, วยนี่เข้าใจนะนี่คือกลุ่มวาทะเป็นมิจฉาวาทะคือคำพูดเนี่ยนะนี่นาทีทินนางอย่างนี้มิจฉาทีท่ถือคือก็วิปริตอย่างนี้ก็วิปริตอ่าต่อไปต่อทีนี้ ในการต่อตรงนี้ก็คือโอทุกที่จริงเรียนไอ้เมื่อเช้าอธิบายอะไรเนะี้ยอธิบายเกี่ยนในเรื่องของพอจบหมดแล้วนะเรื่องกรรมเมยกิเลสเลยวิบากเลยอุปวัฒหะแล้วก็อนิวาอ า, อานาวิติกรมานี่อธิบายอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะตรงนั้นนะไม่เออถ้ากรรมเนี่ยเีจะอธิบายตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเจะต้องไปขยายข้างหน้านะ อ่าเดี๋ยวที่อไปอธิบายข้างหน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะไปซ้ํากันอีกออาดูในทีคณิกายสีรขันทวักในมัชชิมานิกาก็ได้ในอุปปริปันาในมหาจัตตารีสกัสูตรเนี่ยสูตรนี้่ น, นะที่จริตอสูตรนี้มากล่าวมันมาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงอยู่เนี่ยมันจะเรื่องยาวใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ เอออาก็ลองดูนะถ้าใครใครจะดูก็ได้ในสูตรเนี้ยนะไปหยิบดูเองเล่มที่ยิบสองก็ดูประกอบได้ในมหาจัตตารีสกาสุถ้าใครอยากจะดูเนะี่ยมีมีเยอะในห้องคอมก็มีเล่มสีเขียวเขียวสีโปรไฟ้าหน่อยเล่มที่ยิบสองนะสามารถไปเปิดดูได้เลย ก็คือเขาเรียกว่าถ้าสามารถจะดูประกอบไปได้ล้วก็ดูเลยในในหมาจตารีสขาสูตรเล่มที่ยี่สิบสองเออนี่นีตรงนี้อ๋อในตู้เล่มสีฟ้าก็ไม่มีเลยอันนี้นๆ่นี่นี่นี่ นั่นแหล ะ, นนหละในหน้าที่สามร้อยี่สิบเนี่ยว่าจริงๆมันมีเมื่อวานนี้เขานั่งเรียนในมหาจตารสก่าสูตรว่าด้วยธรรมะหมวดใหญ่สี่สิบเนี่ยนะคําว่าธรรมะหมวดใหญ่สี่สบเนี่ยได้กล่าวมาค่อนข้างจะหลายครั้งก็คือเป็นฝ่ายกุศลไดยี่สิบเป็นหว่าอกุศลไดยี่สิ อายกตัวอย่างอย่างนี้นะจะได้เห็นชชาๆก่อนเพื่อให้ทำความเข้าใจหมวดใหญ่40บหมวดเขาเขาเขานับยังไงเช่นสมาทิฏเนียสมาธิฐิสมาสังกปรสมมาวาจสมากรรมตัสสมมาทีวสมมายมัสมมาสติสมาสมาธิแปดใช่ไหมสมายานะเป็น9นะแล้วก็สมาวิมุตเป็นสิบพอดีใช่แล้วก็ปัจจัยของเขาอีกส0บปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาทิทิเป็นต้นจนถึงสมาวิมุตเนี่ย อย่างละหนึ่งละหนึ่งละ1นึเสร็จก็กลายเป็นอีก10รวมเป็นฝ่ายกุศล20อกุศลก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมิจฉายานาแล้วก็มิจฉาวิมุติ10บไหมอกุศลสิแล้วปัจจัยของเขาอีกสิบเป็นยี่สิาเรียกว่ากุศลยีกับอกุศล20กลายเป็นมหาจัตตารี สกะสูตรเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะหมวดใหญ่สี่สิบเขาใหอย่างในสี่สิบเนี่ยทีนี้ในในสูตรเนี่ยในข้อแรกสูตรที่เจ็ดม้จตารีสกัดเนี่ยนะในสูตรที่เจ็ดเนี่ยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านนานาาปินิกาเศรษฐี กรุงสาวถีสมัยนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ท um ูลรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มี พ, le a le a. พระเจ้าก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิที่เป็นอริยสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนี่หมายถึงธรรสมาธิที่เป็นโลกุตระทีนี้ไปสอดคล้องอะไรสมาธิสมาธิที่เป็นโลกุตระในทีน่นี้ต้องไปดูในไหนต่อ ไปดูในทีขนันธิกายเชื่อมโยงเราเปิดไม่ทันแล้วแต่เนี้ยไปดูในทีคันธิกายเชื่อมโยองอีกอันี้ตรงนี้ดูตรงนี้สกัดกั้นเขาไว้ใช่ไห้เรารู้แล้วสมาธิที่เป็นอริยะใช่ไหมถ้าไปดูในทีคันธิกายบริเวณอะไรมาก็ไม่ได้จัดสูตรมาเลยแต่ธรรมายึงจําจําได้อยู่เนี้ยเนี่ ไม่ผิดหรอกจริงๆเขาเกล่าวกันจริงๆก็จะเอามายืนยันก็คืออย่างนี้ <S <S ในวิมุตายาตนะห้าที่แสดงบ่อยๆในวิมุตายาตนะห้าท่านจะแสดงอะไรแสดงบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าเหตุของความหลุดพ้นมีอยู่ห้าประการเนี่ยก็คือว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าในข้อแรกเนี่ยถ้าสรุปนี้นะฮะ เมืฟังธรรมจากพกระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัตถะเป็นผู้รู้แจ้งธรรมเมื่อรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะแล้วปราโมทก็เกิดขึ้นกัเธอใช่ไหมเมื่อปราโมทแล้วก็เป็นปัจัยเกิดปีติปีติเป็นปัจัยเกิดปสัสสติปสัสสติเป็นปัจัยเกิดความสุขสุขก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธินี้ก็เป็นวิมุตตาญตณะ้อแเล็สมาธิในที่นั้นอถถาถาัตถะท่านขยายว่าจะแก่สมาธิที่เป็น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 พอแสดงธรรมแล้วก็เกิดอัฏฐรู้อัาธรรมะปราโมดปีติปสัสสติความสุขและสมาธิก็เกิดเห็นไหมอันนี้ก็เป็นช่องทางที่2ที่เป็นปัจจัยการบรรลุเป็นปัจจัยในการหลุดพน้นเห็นไหมสมาธิอติในที่นั้นน่ยก็หมายความว่าสมาธิที่เป็นโล ท, ที่เป็นโลกุตระสรุปแล้วก็คือแสดงธรรมแล้วบรรลุได้ข้อที่3าก็คือการสาธยายพระธรรมการทรงจํามาอย่างดีการเรียนมาอย่างนี้แล้วก็มีการสาธยาย นี่มีหลักฐานปรากฏหลายที่ในคมภีสังยุทธ์ก็มีคนที่สารยายกระธรรและบรรลุเองเนี่ยนีอันนั้นก็ไปกล่าวไว้ก็แปลว่าบรรลุก็แปลว่าเมื่อฟังประการที่4ี่ก็คือการตรึกฟังมาเรียนมาศึกษามาอย่างนี้ก็ไปตรึกไปตรองตามน้อมโดยใจและอัตถะธรรมะปรากฏปราโมดปิติปัสสติความสุขสมาธิก็เกิดอีกอันนั้นก็เป็นช่องทางหลุดพ้นนั่นก็คือสมาธิที่เป็นอริยก็เกิด ช่องทางสุดท้ายก็คือการกรรมฐาน38เอาไปบริหารอัคตธรรมะปรากฏแล้วก็ปราโมทปีติปสัสสติความสุขสมาธิที่เป็นอริยะก็ปรากฏแก่เธอเนี่ยนะอันนี้ก็ช่องทางการบรรลุสรุปก็คือพระพุทธเจ้าแสดงในที่นี้ก็ไปบอกว่าสมาธิที่เป็นอริยะเนี่ยมีเหตุนีสัพปะปนิสังมีองค์ประกอบเนีสัพปริหารังเนี่ยสัปริขารังเนี่ย แกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธินั้นโดยสรุปก็คือสัมมาสมาธิมีหลายส่วนใช่ไหมสัมมาสมาธิที่เป็นโลกิยาก PRESID ็มีสมาส ม, มาธิที่เป็นโลกุตระก็มีเพราะคําว่าสมาธิเนี่ยเป็นชื่อของเอง ก, กคตาเจตสิกนี่ถ้าเอ ก, กคตาเจตสิกที่ในอนกุศลเนี่ยเรียกมิจฉาสมาธิใช่ไหมมิจฉาสมาธิในที่นี้กล่าวไม่กล่าวแต่เป็นสัมมาเป็นมิจฉาสมาธิที่เป็นฝ่ายอกุศลเป็นธรรมที่จะต้องละ ตัวมิจฉาสมาธิเขก็มีองค์ประกอบตัวมิจฉาสมาธิเขก็มีเหตุก็มีสาอุปิริสังก็มีสัพปริขาหลังใช่ไหมเขามีองค์ประกอบเหมือนกันก็มีเหตุปัจจัยของเเหมือนกันแต่ในที่นี้ท่านต้องการแสดงทั้งสองอย่างควบคู่กันน่ะท่านแสดงทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิแต่ว่าท่านเอาไปสรุปตอนท้ายแต่ตอนนี้ท่านยกสัมมาสมาธิอย่างเดียวก่อนบอกว่าบอกพูดให้เห็นว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนี่มีองค์ประกอบนี สมาสมาธิเนี่ยมีเหตุนะมีปัจจัยนยที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยตั้งสมาสมาธิที่เป็นโลกุตลาละเขาไว้แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงบอกอะไรคือองค์อะไรคือเหตุของสมาสมาธิที่เป็นอริยะอะไรคือองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะพระพุทธเจ้าก็บอกพวกเธอทั้งหลายจงฟังสมาสมาธินั้นคําว่าจงฟังนี่เป็นอานัตเลยเนะแล้วยังไม่พอนะใสยังย้ํยยาอีกครั้นึงจงใส่ใจให้ดี จงตั้งโยนิโสมนัสิการให้ดีเราจักกล่าวแปลว่าเราจักแสดงทำโดยสนุปตรงนี้คืออะไรเนี่ยพระเจ้าจบอกเธอทั้งหลายตั้งโยนิโสมนัสิการไว้ตถาคตจะเป็นประโตโคสะเกตเธอทั้งหลายใช่ไหมคือปัจจัยจะต้องเอื้อกันเธอทั้งหลายอย่าตั้งอโยนิโสมนัสิการไว้นะเอา้าถ้าหาว่าตั้งอโยนิโสมนัสิการไว้อะไรจะเกิดขึ้นตอบได้ไหม ถ้อบอกว่านาหังพิกคเวเป็นต้นดูก่อนภิกสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นซึ่งทำอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างอาโยนิโสมนัสิกานี้เลยนะภิกษุทั้งหลายเห็นไหมถ้ากลัวมากก็อย่าตั้งอาโยนิโสมให้ตั้งใจให้ดีใส่ใจให้ดีดูก่อนพิกสุทั้งหลายเมื่อบุคคลทําไว้ในใจโดยอุบาย โดยไม่มีอุบายนะโดยอุบายอันไม่แยกคายโดยไม่ฉลาดคิดเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญดังนี้นี่แปลว่าอะไรเนี่ยอโยนิโสมนะสิกโรติเนี่ยอนุปายะอนุปายมานสิกา ร, รูบทว่าอโยนิโสมมานสิการได้แก่การกระทําไว้ในใจโดยไม่มีอุบายคืออนุปายะมานสิการที่เป็นไปว่า เที่ยงเห็นไหมที่เป็นไปว่าสุขที่เป็นไปว่างามที่เป็นไปว่าเป็นตัวเป็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่ดีกาท่านสรุปอย่างนี้ในชั้นของดีกาทั้งหลายหลายๆแห่งนี้นจะสรุปอย่างนี้ฉะนั้นอย่าตั้งอายุนิสสมนัสิการในการฟังธรรมถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะวิปริตมนสิการหมดเลยจะไปใส่ใจผิดหมดเลยบอกว่า รูปนิเทียมเนาะเวทนาสัญญาสังขารมียานิเทียมใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารมียานึงามรูปเวทนาสัญญาสังขารมียานี่เป็นสุขแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมียานก็คือตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ฟังธรรมไม่ได้มีใครแล้วเราเป็นผู้ฟังธรรมเราเป็นผู้เข้าใจใช่ไหมคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นเข้าใจมากเราเข้าใจน้อยมันก็จะอยู่อย่างเนี้ยแหมวันนี้เราไปฟังธรรมเข้าใจมากเข้าใจน้อยแหมไม่ค่อยเข้าใจเลย แม้วันนี้ง่วงบ้างวันนี้ไม่ง่วงบ้างวันนี้พูดแสดงทำไม่ดีแล้วไอ้เนี้ยเนีนะไปไหมมันนี้เป็นอย่างั้นใช่ไหมแม้วันนี้ท่านพูดไม่ค่อยดีเลยพูดผิดซะหลายคําเลยสมมติยอมนั่งนับเลยแล้วแม้ผิดซะเยอะเลยไอ้เนี้ยแต่ว่าการติงด้วยกุศลได้นะไม่ใช่ไม่ได้เพราะตรงนั้นเน่ะตรงนั้นเน่ะเมื่อผู้ดูชนแสดงอยู่ไหมแต่ว่าต้องต้องระวังเหมือนกัน ต้องระวังใจเหมือนกันใช่ไหมต้องต้องระวังใจก็ว่าเออย่าคือคือขีดเส้นก็นว่าอ๋อตรงนี้ถ้าแก้ไขจะบริบูรณ์ตรงนี้ถ้าแก้ไขจะบริบูรณ์แต่อย่าไปมีความยึด ม, มั่นว่าแหมเนี่ยเราเี่ฟังเข้าใจคนอื่นฟังไม่เข้าใจเข้าใจยังเนี่ยพระอาจารย์ไบอกว่าตรงนี้สําคัญแต่ถ้าหักโยนนิสโสมนัสิกาเนี่ยดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่เลงเห็นซึ่งทำอื่น แม้อย่างหนึ่งอาจเป็นเหตุให้สมาธิที่ยังไม่เกิดจะ้องเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วจะตองเจริญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างโยนิโสมนัิการเลยพิสูจนทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทําไว้ในใจโดยอุบายนะโดยปัจัรมมนัิการโดยการนามนัิการโดยอุปาญมนัิการใช่ไหมโดยอุปาทกามนัิการโดยมีอะไรบ้างอ่ะโดย ไหมประทัมนุษยการโดยการณามนุษยการโดยอุปาตกามนุษยการและโดยอุปายะามนุษย์การเห็นไหมถ้าเธอทําโดยอุบายชอบต่างๆเหล่าเนี่ยไปไปดูไปสืบคนเราอย่างนี้สาว เ, เ, เนี่ยเนี่ยทีนี้ถ้าทําไว้โดยโดยอุปายะามนุษยการนี้เป็นไปเพื่ออั น, นิจ้จ้างทุกครังอันาตาเนะ้นมนุษย์การต่างตางเหล่านี้เมื่อบุคคลมี โยนิโส ม, มนาสิการอย่างนี้แล้วสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสมาทิฏฐิที่ๆๆๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ย่อมเจริญเพบุญยิ่งยิขึ้นไปตรงนี้สําคัญมากเลยเห็นไหมว่าเราต้องการจะศึกษาก็จะเจริญสมาทิฏฐีเนี่ยเพื่อจะลับวิจารทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อเธอทั้งหลายชงใส่ใจเราจะกล่าวต่อไปเนี่ยภิกษุเหล่านั้นจะทูลพระพุทธเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้านี่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายสมาทิฏฐิที่เป็นอริ อันมีเหตุมีองค์ประกอบเป็นชนิดคือเดาว่าเลยทีนี้สมาทิฏิสมาสังกปรสมาวาจสมมากรรมตะสมาชีวสัมมาวายมสมาสติไม่มีนะเพราะเอาสมาสมาธิที่เป็นตัวตั้งไว้แล้วใช่ไหมก็ขาดองค์เจ็าเรียกว่าองค์ประกอบอริยสมาธิมีเจอย่างเขตของอริยสมาธิมีอยู่เจอย่าง มีสมาทิิเป็นเบื้องต้นแล้วสมาสติเป็นที่สุดนี่นะนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์7 เ, เหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุบ้างอันมีองค์ประกอบบ้างเห็น ไ, ไหมภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์เจ็ดนั้นใครเป็นประธานถ้าสัมมาธิฏฐิก็คืออย่างนี้เอา7จ็ดองมาตั้ง ในในเจ็ดองค์นั้นตั้งยังไงเอาตั้งสมาทิฏฐิเป็นต้นได้ไหมไล่มาจนถึงสมาสติในเจ็ดองนี้เอาใครเป็นประธานดีเอาสมาสมาทิฏฐิเป็นประธานเอาสมมาทิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสมาทิฏฐิแล้วก็เอาสมมาทิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมาสังกปรเอาสมาทิฏฐ <ato> okay, ิเป็นประธานไปแวดล้อมสมาวาจาเอาสมมาทิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสมากัรมันต์ เอาสมาธิที่เป็นประธานไว้แวดล้อมสมาชีวาเอาสมาธิที่เป็นประธานไว้แวดล้อมสมาวายามะเอาสมาธิที่เป็นประธานก็เป็นไวยวาล้อมสมาสติเพราะว่าสมาสมาธิเก่าวไว้แล้วครั้งแรกเนเป็นปริขาราเป็นองค์ประกอบและก็เป็นเหตุของสมาสมาธิที่เป็นอายะตอนที่สมาสมาธิที่เป็นอายะที่มีรวมเป็นหนึ่งในขณะนั้นที่มีนิพพานแวดลอมเนี่ยเห็นไหม ท่กล่าไว้กัอนอย่างดีทีนี้พอไปแวดล้อมแล้วก็จะละมิจฉาที่ทีอย่างไง mm hmm. ก็จะละมิจฉาสังปะอย่างไงจะละมิจฉาวาจายัางไงมิจฉากรรมตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติอย่างไงจะถึงมิจฉาสมาธิอย่างไงเดี๋ยวท่านก็จะไปไล่ตอนบทสรุปพิธีิันเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลักจำหลักให้เข้าใจโครงสร้างพอเข้าใจโครงสร้างแบบเสร็จอยงนี้ดี จ, จะเจริญถูกถ้าไม่เข้าใจแล้วจเจริญไม่ถูกนะเอาจเจริญยากไ้ย ใ ห, ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมพอเข้าใจในองค์รวม เ, เสร็จแล้วก็มาก็ปิดย่อยรายละเอียดแล้วต่อไปก็เดินเลยเดเอามาค่าควรในชีวิตจริงโอโ้โหนี่เริ่มเดินช่องทางกายบรุแล้วย่งไงเอาต่อไปก็คือว่าในบรรดาองค์เจ็ดเหล่านะั้นสมาทิฏฐิเป็นประธานสมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสมาทิฏีิว่าเป็น จัมาที่ตีความรู้ของเธอนั่นเป็น เ, เอาละสิตรงเนี้ยเราเรียนมาเลยกับเรียนมาแล้วเมื่อกี้ทิศสูตทั้งหลายผมมาอ่านตอนนี้จะคล่องึ้นเลยก็มิฉาททิถีเป็นใช่ไหนเอาละความเห็นดังนี้ว่าทางที่ให้แล้วไม่มีผลมาจากอะไรณถีทินังไง ยังไทานที่ให้แล้วไม่มีผลนัดทีแล้วก็บอกยันที่บูชาแล้วไม่มีผลนัดทียึถังนะการบวงสวงนี่แหละไม่มีผลแล้วก็อะไรอีกการสังเวยนัดทีหูตังแท้จริงท่านใช้กับการบูชานะการบูชาแล้วก็แล้วก็ลวกผลใช่ไหม ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีมาจากคาว่านัตถิสุกตารุกตานางกัมมานางปรังวิภาโคโภวิบากมันเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายไม่มีนี่แล้วก็นัตถิอยังโลโกแปลว่าอะไรโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่มีปฏิเสธอะไรเนี่ยโลกนี้ไม่มีนปฏิเสธอะไรฮะ โลกนี้ไม่มีมาจากคําว่านัตเทียยังโลโกคนไม่ฉาทิติย่อมถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้ก็คือว่ากรรมที่ทําในโลกอื่นใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายจากโลกอื่นนั่นแหละไม่มาสู่โลกนี้แล้วก็นัตทิปารโรโรโกโรเกโกนะนัตทิปาโรโรโกในโลกหน้าไม่มีคือด้วยกรรมที่ทําไว้ในโลกนี้ก็จะเป็นปัจจัยไปสู่โลกอื่น นี่ก็โรกโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นเสศษกรรมนะหนึ่งโรคนี้ไม่มีปฏิเสธกรรมจากโลคอื่นไม่สามารถนำสัตว์มาเกิดในโรคนี้ได้โลกหน้าไม่มีในปฏิเสศษกรรมในโรคนี้ที่สัตว์ทั้งหลายทําที่จะนําไปสู่โลคอื่นนั้ไม่มีอย่นี้นะอันนัตถิมาตานัตถิปีตาเนี่ยมารดาไม่มีบิดามีปฏิเสธอะไรผลของกรรมที่ทําไว้ในมารดาบิดาไม่จะทําดีทําชั่วกับท่านเนี่ยไม่มีผลหรอกมีปฏิเสธกรรม ที่ทำไว้กับมารดาบิดาหนึ่งรุวงเลยไปถึงปฏิเสธบุคคลอื่นไม่เคยเป็นมารดาบิดาอีกจบเลยเขาใหญ่อย่างเดียนีย้จบเลยแล้วก็อีกข้อหนึง่ง น, นัน่นแหละปฏิเสธศาสตร์ทั้งหลายก็จุติและปฏิสนธิไม่มีแล้วก็แจก สมนาพรามทั้งหลายผู้เพื่อดีมีสัมมาปฏิบัติกระทำไม่แจ้งและโลกนี้โลกอื่นโลกหน้าเนี่ยด้วยปัญญารู้ด้วยตนเองย่อมประกาศให้คนอื่นรู้ตามไม่มีในโลกนี้นิปฏิเสธซึ่งปฏิบัตอันได้ปัญญาเพื่อเห็นโลกนี้และโลกหน้าคือปิเสธสัมมาสัมิยานด้วยถึงนี้ปิเสธสัมมาสัมปทานด้วยนี่ปิเสธสัมมาสัมิทานเนี่ย ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัก พ, พัญญูสามารถรู้โลกนี้โลกหน้าด้วยพยานอันประเสริฐยิง่งด้วพระองค์เองและประกาศให้ผู้อื่นอันนี้นี่เราเข้าใจแล้วทีนี้ในสิบประการนี้ไม่ใช่แค่นี้อันนี้ท่านกล่าวเป็นหลักเข้าไว้นะที่เราจะต้องรเรียนรู้ตัวมิจฉาทิฏฐิอีกทีวันนี้ที่จะกล่าวกันก็คือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับสักยะทิฏฐิทั้งหลาย ไอ้ตรงเนี้ยที่จะกล่าวเดี๋ยวต่อไปจะนํามากล่าวเรื่องสักยาตทิฏฐิซึ่งซึ่งตรงเนี้ยน่ากล่าวเพราะว่าเป็นตรงนี้เป็นตัวมิจฉาทิฏฐิที่เห็นไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยที่เรากล่าวเนี่ยขนาดว่าเห็นไม่ยากก็ชื่อว่าระดับหนึ่งเลยนะยากระดับหนึ่งมมใช่ไเดี๋ยวถ้าหากว่าเราตามลงไปไ ป, ไปดูให้รายละเอียดเกี่ยวเรื่องของมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสักยาติทิฏฐิที่เป็นอัตตาทิฏฐิ พ่ตรงเนี้มีคัมภีที่ที่จะช่วยขยายแล้วก็ค่อยๆถกกันไปเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆเดินช้าๆไปเนี่ยนะตรเนี้ยที น, นี้ต้องการให้ดูองค์นี้ก่อนคงจะไล่ไล่แบบรวมๆไว้แต่ให้ดูองค์แรกก่อนว่าสมาธิทีนี่เนี่ยนี่ในสมาธิทีนี่นะเป็นฉนไหนก่อนเลยดูที่ที่สุดทั้งหลายเรากล่าวสมาธิทีสองประการคือสมาธิที่เป็นาศาสวะ ย้ำถิมเข้าใจว่าสมาธิที่เป็นสาวสวะคืออะไรมีอาสวะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งบุญใน้ผลหนึ่งขันเนี่ยหน่งเนี่ยแล้วแตสมาธิที่เป็นอนาสวะเป็นไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคหนึ่งแสดงเห็นชาติว่าสมาธิมีกี่อย่างเป็นโลกิยระสมาธิกับโลกุตระสมาธิีใช่ไหมนี่ท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิที่เป็นสาสวะเป็นส right. ่วนหนึ่งบุญใน้ผลหนึ่งขันเป็นเไหนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลนี่ตรงนั้นข้ามเลย ใช่ก็อนที่เข้าใจว่าที่เห็นถูกพวกนี้เป็นตามหลักธรรมสมาธิ่นี่ยเขาเขียนว่าการให้ทานมีผลตอนนีไม่มีแล้วใช่ไหมยันที่บูชาแล้วนี่มีผลเขาเรียกว่าอัตถีนะก็เปลี่ยนเป็นจากนัตถีก็เปลี่ยนเป็นอัตถีไปถ้าบอกนัตถีทินนางก็อัตถีทินนางไปเลยใส่ใส่สอบข้างหน้าแค่อัตถีทินนาง ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลอัตถียิบถังการบูงเสวงมีผลอัตถีหุทังการบูชามีผลอัตถีสุกตาทุกตานงางกรรมานางพลังวิปากโกวิบากผลกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วนะมีผลอัตถีอายังโลโกโลกนี้มีอัตถีปโรโลโลกโลกหน้ามีอัตถีมาตามานดามีอัตถีปิดามีดามีอัตถีสตาโอปปาติกาโอปปาติกาศ มีอัติโลเกสัมนาพระมนาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยมันจารโอกลางปรัญจารโอกลางสยามพิญ ญ, ญ, ญ า, าสจิกัตวาเปรเวเทนติสัมนาพราม์ทั้งหลายผู้บุพเพดีมีสัมมาปฏิบัติกระทาไม่แจ้งโลกนี้โลกหน้าและโลกอื่นด้วยพัญญาด้วยตนเองย่อมประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามมีอยู่เนี่ยพวกนี้คือทัศวัตรสิบเนี่ยนะพวกนี้เป็นอัติเจยวกันในเร่องการเขาเขาเชื่อ นี้ก็ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมถ้ามันจะไปซับซ้อนหน่อยก็เรื่องการบูชายัญมหายัญาณก็เชื่อมหายันญาณสมาธิจิตกาเชื่อเขาเข้าใจยันถูกต้องด้วยใช่ไหมมองเหยื่อออกนิดนงทีนเข้าใจยันได้ถูกต้อง <c oughs> ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเอามีเวลาเจริญกุศลตอนนี้ย ก, กลุ่มอาทิทินังอัฐิทิถังอัทิหูถังเป็นต้นหูถางเป็นต้นเหล่นี้ กลุ่มเหานี้กลุ่มที่เขาเชื่อกุศลกรรมมาบทสิทและเขามีศรัทธาในการตั ส, สรู้ของพระเจ้าเอาอย่างเราทั้งหลายอยู่กลุ่มนี้ไหดี <c oughs> ยวกลุ่มนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วต้องให้ชัดในกลุ่มนี้มากๆตรงนี้ก็ต้องเอามาใไถ่ควรถ้าไถ่ครวรอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกียะสมาธิติเกิดและเป็นกรรมสกตาสมาธิติเชื่อกรรมและผลของกรำเชื่อกรรมและผลของกำเหล่านี้เขาเรียกเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีด้วย เข้าใจกรรมแม้ระดับของสัตว์บุคคลและไปถึงระดับของรูปนามขันท์้าระดับของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นผู้รับกรรมธาตุขันาธาตอายตนะเป็นผู้ทํากรรมมีแต่ธรรมารุ่นๆนั้นเป็นไปอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าสมาทัศนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิติดด้วยเป็นวิปัสสนาสมาธิติ ด, ดเนี่ยก็มาแทรกซึมในกระแส ข, ขันธ์ธาตุอายตนะของท่านทั้งหลายด้วยเมื่อไรจะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเอาลองเห็นดูทีนะ เห็นเข้าใจถูกแล้วแล้ไม่ใช่เป็นเข้าใจตเตลิดด้วยเนะี่ยเข้าใจถูกแล้วมีสมาทิฏฐิหลอเลี้ยงแล้วก็ขยายวงจรสมาทิฏฐินี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้ตรงนี้ก็เกี่ยวกันในเรื่องของพิกษุทั้งหลายก็สมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่เป็นนานาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มากเป็นฉไหนพะิกษุทั้งหลายปัญญาหนึ่งเห็โดยตามไปนะั้นปัญญีนีหนึ่งปัญญาภะละหนึ่งธรรมวิจยะสัมพุทธโชงหนึ่งความเห็นชอบหนึ่งองค์แห่งมากหนึ่ง ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากฆาสึกธ์นิจจิตหาสวะไม่ได้พร่างพร้อมด้วยอริยมรคนิบลุอย่างเนี่ยจะได้นอริมากอยู่นี่คือสมาธิกที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรคนี่ท่านพูดไว้สองส่วนเลยถึงเนี้ยพูดสูงเข้าไว้เลยพูดโลกุตระเข้าไว้ความพยายามของเธอนั้นเป็นสมาวายมรค ตรงนี้จะพึ่งก่อนแน่เอาแค่ว่าเป็นองค์มรรคหนึ่งตัวเนี้เว้นว่าแค่ตัวนี้ก่อนก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ท่านพูดสองส่วนส่วนที่เป็นวิปัสนาสมาธิฐิที่เป็นภูเรจาริกอย่างหนึ่งส่วนที่เป็นโลกุตระสมาธิฐิคือมรรคสมาธิฐิทึ่เป็นองค์มรรคแท้เนหนึ่งเห็นไหมแต่ท่านกล่าวสูงสุดเอาไว้ว่าเป็นองค์มรรคสรุปแล้วก็คือว่าในขณะมรรคจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือว่าโทชงมีไหม ภะระมี้หมอินทรีย์มีไหมไหมมีความหินชอบในนั้นไหมมีความหมิ่นชอบด้วยแล้วปัญญาก็อยู่นนปัญญินทรีย์ปัญญาภะระธรรมวิทยาสมโพอชงแล้วก็สัมมาทิฏฐิมรรคที่เป็นองค์มรรคนั่นแหละแล้วจิตเหล่านั้นถ้าโดยเฉพาะในมรรคนี่เขาไกลจากจกิเลสไกลจากข้าสืทก์ายจากกามาสวะภวสวะวิชาสวะอัญหาอาสวะมีได้พร่างพร้อมด้วยอริยมรรค ข้งพร้อมด้วสัมมาทิฏฐิส well, ัมมาสัมปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะตาสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นองค์มรรคอยู่ในนั้นแหละก็พร่างร้องกัอยู่ในนั้นแหละมาประชุมกันอยู่ในโลกุตระนี่แหละนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมท่านถึงตั้งสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะเข้าไว้แล้วก็บริขารของเขาก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสมาสติเป็นที่สุดเหตุของเขาคือเหล่านี้นั่นคือองค์ประกอบด้วยเป็นเหตุด้วยนั่นจะไปประชุมรวมกันในโลกุตระแต่การที่จะไปประช วิปัสนาที่เป็นปูเรจาริกที่เป็นตัวแผ่ของถังทางตรงนี้ถ้าตการอ่านวัตรายวิโดให้เข้าใจเปิดเปิดไปตรงไหนเปอยเป็นหน้าที่ร้อยสามสามร้อสามสิบนี่ใช่ไหมให้สังเกตดูเนี่ยจะสอนจะแนะนําวิธีการอ่านวัตรายวิโดใช่ไหมต้องกนี่เราก็มาดูสมาทิฏี 4, 2, ่สองเลยท่านอธิบายบอกว่าที่เป็นอริยะเนี่ยอริยเขาแปลว่าไม่มีโทษใช่ไหมเพราะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเขาเรียกว่าอริย เขาเรียสมาสมาธิสมาสมาธิไงได้แก่สมาธิที่เป็นมรรคอุปนิสางนะอันมีเหตุเนี่ยเขแปลว่ามีเหตุปัจจัยส่วนคําว่าสับปริคารังมีองค์ประกอบก็แปลว่ามีองค์ประกอบองค์ประกอบของเขาคืออะไรเขตของเขาคืออะไรสมาธิถี่เป็นองค์ประกอบสมาวิจารสมาธิติสมาสังป่าสมมาวิจาสมากรรมตาสมาชีวสมมาอวิมารสมาสติเจองค์เนี่ย เป็นเหตุปัจจัยของสมาสมาธิที่เป็นอริยะเจ็ดองนี้เป็นสับปริขารังเป็นองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะเห็นไหมก็ไปแวดล้อมอยู่อย่างงี้นี่ท่านกำอธิบายสมาธิที่สองประการเลยท่านใช้คําว่าประกอบแล้วเนี่ยปริขตาก็แปลว่าแวดล้อมแล้วแวดล้อมอะไรยังไงคือสมาธิเป็นประธานมาจากคาว่าสมาธิผูกพังเข้ามาหัวตีสมาธิเป็นหัวหน้าอยู่สองส่วน ส่วนแรกเป็นวิปัสนาสมาธิที่เป็นปุเรจาริกก็แปลว่าเกิดก่อนเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนมรรคสมาธินั้นตัวสมาธิมีสองส่วนนะส่วนแรกก็คือทำกิจในการถางทำกิจในการวิจัยวิจัยอะไรวิจัยขันธาตุอยายตนะด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เ ป, ป็นตนะตาด้วยความไม่งามเอาวิจัยไปสิที่จริงท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจเลยนะวิจัยสองส่วนส่วนปัจจาลักษณะกับสามัญลักษณะ คือพิจาราลณลักษณะลักษณะปัจจุบันมทัร ฐ, ฐานของมิจฉาทิฐิของสมาธิทิฐิเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้เอาอะไรใส่ลงในกระแสความคิดเราจะรู้ได้ไงตอนนี้จิตเป็นสมาธิทิหรือเป็นมิจฉาทิฐิรู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้สูตรเนี้นะถ้าไม่วิจัยตรงนี้เราจะไม่รู้หรอความคิดของเราเป็นไปกับสมาธิทิหรือเป็นไปกับมิจฉาทิฐิเราจะไม่รู้เลยใช่ไหม เอเราก็พูดได้เราอ่านมนันเสื้อออกอ่ะเราฟังเข้าใจอ่ะเอาสิมันจะฟังด้วยสมาธิถี่หรือฟังด้วยมิจฉาทิถี่แหละเพราะมิชฉาทิถี่เขาก็ฟังรู้เรื่องเขาก็เข้าใจเขาก็จำได้เขาก็สามารถแสดงทัศนาความเห็นเป็นต้นได้แล้วเขาก็พูดได้ด้วยพูดนิ่มๆก็ได้มิจฉาทิถี่นี่นใจะให้พูดนิ่มขนาดไห น, นพูดอ่อนๆยิ่งได้เลยใช่ไหม คนเราเคยเสียหายเพราะมิจฉาทิฏฐิมาเยอะแล้วอาเขาไปต่อรองกันอะไรกันเนี่ยเขาใช้มิจฉาทิฏฐิต่อรองได้ผลสำเร็จเยอะแยะอย่าลืมนะบางคนเนี่ยใช้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยสามารถต่อรองได้ประเทศเป็นประเทศนี่ใช้มิจฉาทิฏฐิเนี่แหละไหมืธรรมดาเนี่ยบงคนหนักกว่านั้นอีกได้โลกเป็นใบใบเลยเห็นไหมเขาสามารถปกครองโลกได้เป็นใบใบเลยมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ฉนันไม่ใช่ธรรมดาเราพิจารณาทิฏฐิขอบขาแล้วกว้างมากก็เราดูกลุ่มพิจารณาทิฏฐิหกสิบสองโดยที่เราจะเห็นชัดว่าเขากินวงกว้างไป็ขนาดไหนฉะนั้นกรณีที่วิปัสน ส, ถถนออปสนาสมาธิที่เนี่ยต้องต้องยังไงต่อวิปัสสนาสมาธินั้นต้องผ่านกรรมแสกตาสมาธิเป็นอย่างดีแปลว่าคุณต้องเข้าใจกรรมมาอย่างดีแล้วเห็น ไ, ไหม นัดทิทินังนัดทิยิดทังนัดทีหูตังเวเตอร์เหล่านี้ต้องชัดทั้งอธิทินังอธิยึดยิดทังอธิหูตังเป็นต้องต้องชัดก็แปลว่าการเข้าใจในสมมาธิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิตรงนั้นชัดคือการสักการะสมาธิในต้องชัดว่าโอาเอ Durham, นี่ยเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของผลของกรรมได้ถูกพอพอเข้าใจกรรมผลของกรรมถูกเบสเสร็จก็ เข้าใจลึกไปถึงเรื่อนึ่ว่าผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับผลของกรรมไม่มีมีแต่ทำมาล้วนๆเท่านั้นเป็นไปนี้เห็นไหมวิจัยจนขนาดนั้นถ้าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไปวิจัยอะไรนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะจึงไปเห็นกระแสของขันธะอายตนะเป็นผู้ทํากรรมแล้วก็กระแสของขันธะอายตนะเป็นผู้รับผลของกรรมถ้าไปวิจัยด้วยมิจฉาทิฏฐิมันจะกลายเป็นนุ่นเป็นดินน้ำไฟลมเป็นสุขทุกข์เป็นชีวะ เื้ดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ํา ไ, ไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ล่องลอยไปในอากาศการเกิดอีกไม่มีเห็นไหมอันนี้เป็นวิชาทิฏฐิวิจัยถ้าวิจัยมันจะหลุดโลกเลยอย่าแปลกใจถ้าหากว่าวิชาทิฏวิจัยเนี่ยขันธะยะตะนะเนี่ยมันก็วิจัยไปวิจัยมาก็เป็นอุเฉศทิฏฐิบ้างขาดศูนย์บ้างเป็นเป็น ส, สตัตตถทิฏฐิบ้างเห็นว่าเที่ยงบ้างใช่ไหมเห็นว่าดินน้ําไปลมแล้วก็สุขทุกชีวะเที่ยง อย่างอื่นไม่เที่ยงนี่ไอตัวนี้เที่ยงล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่แล้วก็ไปสิงแล้วก็อยู่ในร่างของคนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ไปเห็นไหมทาดีทําชั่วไปบงการสัตว์เหล่านั้นทําดีทําชั่วต่อไปแล้วก็เบสเสร็จก็มีการฆ่าถูกฆ่าตายเบสเสร็จไอตัวนี้ก็ไม่ยอมนิพพานาทีเดียวไอตัวนี้ก็ล่องลอยไปแล้วก็ไปสิงเข้าล่างใค ร, ใครก็ว่าไอตัวอนูด้วยเนี่ยไอตัวเกี่ยวในเรื่องของชีวะตัวเนี้ยนะถ้าอย่างนี้ เห็นไหนี่เขาเรียกว่าพวกศักตรูทิฏฐิอีกกลุ่มหนึ่งนี่เห็นไหมถ้าหากวิจัยด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ เ, เห็นเลยถึงบอกว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อใครว่ามิจฉาทิฏฐิจะไม่เข้าใจเรื่องธาตุเรื่องดินน้ำไฟลมโอ้ยาวิจัยเห็นน้ำเห็นโูปแล้วชัดนี่ปัญญาไม่จริงลรอนี่ไงมิจฉาทิฏฐิไงเห็นชัดไหมเขาเห็นน้ำเห็นรูปแล้ว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 เข้าใจพระพิธรรมดีพอมีพื้นฐานในพิธรรมดีก่อนเนี่ยนะการเข้าใจพิธีเขาเริ่มเริ่มโลกขึ้นเนี่ยนะแล้วนยากเข้าเขาไปดูกิมพีอื่นแต่ให้อภิธรรมเป็นแน่นเป็นฐานไว้ก่อนเพราอยังไม้จับหลักให้ถูกก่อนเบื้องต้ น, นบางคนบอกอุ้ยถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจบาลีอะเราบอกโอยบาลีเนี่ยถ้าถามบอกว่าในเบื้องต้นที่อายุมากๆทั้งหลาย ไม่ทันใช้คำเดียวว่าไม่ทัน่ไมไม่ไม่ทันทันแต่ว่าคณะอวิธรรมยังจะไม่ทันเลยจับไม่ถูกตั้งหลักไม่ถูกถ้าตั้งหลักไม่ถูกมันจะวี่งเข้าใจไหมเอ็นยิบเร็กก้นก่อน ตอนนี้เด็กเท่านันเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมาวิจัยตรงนี้หมาเพราะดูดูแล้วจะยาวเลยเอาเอาเครื่องอัดอาจารย์ตรงนี้มีแบบว่าใบแค่เดียวทำไมสองตัวไว้แล้วพมเดียว่ะ